วัอะไรเนทงที่แล้วนี่เรียนเรื่องอะไรนทที่แล้วเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเอาดูน ทั้งที่แล้วศึกษาในเรื่องของปฏิปุลมนัสติการบัพเนะี่ยทั้งที่แล้ศึกษาในเรื่องของปฏิปุลมนัสติการบัพเขาสรุปคําสอนตรงนี้แนะที่พวกเราท่านั้งหลายได้ศึกษากันเนี่ยตอนนี้เรายังอยู่ในภาคของการศึกษาคำพีสติปัฏฐานสูตรในทคงทีไม่ใช่นัสติการบลไปหน้าต์นะ แล้วก็ศึกษาในสังภาคของพุทธพจน์และก็อัตกาถาแล้วก็ในส่วนของของดีกาจาเป็นต้นด้วยทีนี้สาเหตุหลักในการที่เราทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยก็มาพิจารณานอย่างนี้นะว่าที่เราได้ศึกษาทะยายที่บอกที่พึ่งอย่างองุปนิพพานเจ้า น, นี้ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเงนประเสริฐของพราพุเจ้าอือส่วนถ้าทำเป็นที่พึ่งเงินประเสริฐพระอริยสงฆ์เป็นหรือวสงฆ์เป็นที่พึ่งเงินประเสริฐของพระพเจ้าทีนี้การที่เราจะเข้าถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นเนก็เกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมโดยเฉพาะพระสาวธรรมเน่ยกคือคสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้การศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อการนอบเอาคำสอนของพุทธเจ้านั้นมันมาขัดเกลว์อัจฉาิยที่ได้ทำไมต้องขัดเกลวด้วยเพราะว่าอัจฉริยะใส่ต้องตัดโลกทั้งหลายหรือตองเราทั้งหลายนั้นมันเป็นไปกับความโลภใช่ไหมมีโลภเป็นอัจฉริยะใส่มีโทสะเป็นอัธยาใสยมีโมหะเป็นอัจฉยาใส่ เป็นต้นเลยฮะฉะนั้นโลพาโซสามโมหะเนี่ยเป็นอัจฉยะสายที่ฝังแน่นในกระแสของจักรโลกทั้งหลายมาเป็นเวลา ย, ยาวนานทีนี้ในหลักการปฏิบัติเนี่ยหรือพระศาสนากลารรู้กาสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านบอกสรุปคือว่าถ้าย่อลงเนี่ยนะสรุปคือว่าเขาบอกพระเจ้าตัดชั่วอะไรบอกตัดชั่วหรือเลี่ยนตัด ตัศรอรยยะศ า, าตสตจะคือตะศรูทุกนะตัสรสมุทยัยที่เตได้เกิดทุกตัศรุนีโรดาการเปความดับทุกตัศรูอัิยามารคือปฏิบัตาข้อปฏิบัติให้เข า, าถึงความดับทุกทีนี้พอพระเจาัรอยยศา์ก็แปลว่าเขาองศ์ในลายสอนอัยยศกสตจะทอทั้งสี่ประการคือสอนทุกสอนสมุทัยสอนนิโรธแล้วก็สอนอัยยมารทีนี้ แล้วเราจะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องฐันห้าว่เรื่องรูปปัถันเวทนาฐานสัญญาฐานหลักฐานวิญญาณฐานพระพุทธเจ้าสอนอายะตนาสิบสองเนี่จากขานายะตนาครูปายะตนาโสตายะตนาศรัทธายะตนาขันตายะตนา ทานายัตนณะคันพายัตนาะชิวหายัตนณะก็วาสายัตนณะแล้วก็กายายัตยณะาวดพายัตนณะมานายัตยณะอำมายัตนณะนี่ยแล้วก็จกักจกูธาตุรูปธาตุจักกูญาธาตุต่อไปสรุปที่พูดได้ยอกสองถันหน้าทีนี้ถ้าบอกว่ารูปปัจฉันใช่ไหมรูปปัจฉันเนี่ยเป็นสัจจะอะไรถ้าถ้าพูดถึงบอกว่า ผู้เจ้าสอนอธิยาศาสตร์ใช่ไหมลองก็บอกว่ามิมองยกรูปประทันมาสแสดงนี้ว่ารูปประทันนี่เรีนปัะจารอะไรรูปคืออะไรใช่ไหมถ้าลรงมองกันอย่างสะดวกเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้ข้ามบทในพระธรรมคําสอนก็คือว่าตาหนะ้านก็เป็นรูปประทันหูนี่ก็เป็นรูปประทันลิ้นก็เป็นรูปประทันจมูก กายเป็นต้นเนะเ็รูปปัจจานนะถ้่านรูปปัจจานี่เป็นสัจจะอะไรบุพกา ร, กระและเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้รูปปัจจานเป็นสัจจะอะไรก็มูลนิยัสัจจะใช่ไหมทีนี้ถ้าดับเหตุของรูปปัจจานและดับรูปปะัะจานได้อันนั้นเป็นสภาวะที่เขาไปดับนะ่ เครื่องที่เข้าไปดับสะทานว่าที่เข้าไปดับรูปปัจฉันและเห็นแค่เกิดรูปปัจฉันนั้นเป็นที่โลทัสจะดปฏิปทาครับคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงการดับรูปปัจฉันได้อย่างชาววานนั่นจองมัคจัดนี่น้ะแต่เวลาเข้ามากล่าวในวาษาบาลีก็จะกรานกะันรูปรนะรปัจฉันโทนะรูปปัจฉันท่ารูปปัจฉันโทเนี่ย รูปปั้นทสมุทยัยรูปปั้์ท่านยิโรท่ารูปันท่านิโ ร, ร, ปปรท่ า, าทสามีทาทาาานิบถิบทังพอพระพุทธเจ้าแสดงนี้เราก็มองมองมองอยากเลยแต่โดยสรุปอย่างนี้ล้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยาะจัคือสอนทุกสอนสมุ ท, ทยัยสอนยิโรธาแล้วก็สอนอะไรเยอนทีนี้ทุกอย่างที่พะระพุทธเจ้ากล่าวนั้นไม่พ้นไปจากสี่ประการเนี่ย เขาบอกไม่พบจากหลักสีประการอย่างนี้ถึงนี่เราก็มาพิจรารณาว่าในเมื่อวานนี้ก็สนทนากระยมก็คุยสนทนาโยมมันนั่นนงฟังก็ทำกันก็เนี่ยในภาวะปัจจุบันนี้นะเขาบอกว่าวิธีการสอนวิชาการทางโลกที่เราได้เรียนงานนี่ยทุกครั้งพูดถึงนี้ก็พูดถึ ง, งีพระที่อยู่ด้วยตอนที่ท่านมาบวชใช่ไแต่ก่อนท่านก็ ที่ว่าท่านเนี่ยถ้าลูกเนี่ ย, ออย น, นีะถ้าที่อยู่ด้วยตอนนี้ท่านมีความที่บอกว่าคือท่านเนี่ยเป็นคนที่เศษนะแล้วท่านพยายามสอนน้องสาวบุตรน้องสองคนเป็นคนที่เศษเรียนก็เก่งใช่ไหมศึกษาท้้ ง, ทงโลกเก่งมากแล้วก็เราเราคิดที่ใหญ่เอาไว้ก็กดูว่าต้องการที่จะวามฝายหรือปล่อยฟ้าคือจะต้องเราจะต้องพิเศษกับคนอืน่น ือเงินทองกนจะต้องมีมากกว่าอื่นต้อสมบัติอะไรต่างๆก็ต้องมีมากตัวจมตวญญาณก็ต้องดีกว่าคนดื่ตอสอนเด็กเสร็จอย่านี้ก็ต้สอนอบรมบอกน้องสาวพวกอื่นไงถ้าเราเรียนจบแล้วเราจะประกอบอาชีพการงานยังไงเราก็จะมีวิธีการในการทามาให้จริงไหฟ้าผาเงินทองอยังมีัที่หลวงมาเพาท่านมาได้มาบวชมาศึกษาท่านอ ที่เราสอนน้องไปจนจะติดใจ น, น้องผิดใช่ไหมเม่วมานน้องโทรัพท์มาอย่าเอย่นี้กลมีกต่างไปีก่อนๆทานมาท่านก็เรียน้องกันมาบอกว่าอื้คือที่ที่ที่ทททมาสอนยอมไปแล้วผิดไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วคือไปสอนให้คนคือไปกต้นความโลภของคนซึ่งทุกคนยังมีความโลภอยู่แล้วก็คือไปเพื่มมันเพิ่มมัน คนที่ปกติก็มีความโลภอยู่แล้วก็าปลยเพิ่มความโลภให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างทุกวันเนี่ยภาวะการที่เขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นอะไรหนก่อนใช่ไหมกระตุ้นยังมีให้คนมีความอยากเพิ่มขึ้นต้องมีความอยากเพิ่มขึ้นคนก็ไขว้คว้าคนควายจิ้บนบอลกรเดื่องกระโดดังินมาเพียงแค่เพื่อได้เงินทองมาก็จะได้มีการใช้จ่ายเมื่อมีการใช้จ่ายแล้วการหมุนเรียนก็มาบอกว่าอ้วนเนี่ยที่ทาให้เภาวาเศรษฐกิจแบบนี้ ก็คือไปเพิ่อะไรเพิ่มปัญหาทีนี้พอเพิ่มปัญหาพอเรามองบอกว่าหนึ่งตาเป็นทุกหูก็เป็นทุกจมูกก็เป็นทุกลิ้นก็เป็นทุกายก็เป็นทุกใจก็เป็นทุกใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นใจใจก็เป็นทุกนี่เป็นโจทยทุกทําไมเขาบอกตาเป็นเป็นทุกบอกตาที่เป็นที่ตั้งของชาติทุก ทุกเพราะการเกิดทุกเพราะการแกะทุกเพราะการเกลียดทุ <c oughs> กเพราะการตายเป็นต้นเอะไรเนี่ยแต่ก่อ น, นอาตมาไม่เคยคิดเลยนะว่ามนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นเลนได้ไม่เคยคิดเลยเนะ่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยยองก็มานั่งฟังทรรยองก็บอกว่าเขาเนี่ยรักษาศีลมาตลอดถ้าเขาจะฆ่าเขาก็ฆ่าสัตว์เลี้ยงจนน่าสยุงบ้างลิ้นรายลมเป็นต้นหรือปลวกมันขึ้นบ้านจะ ต, ต้องฆ่าไม่ฆ่าก็ไม่ได้อยองแนะ้ เพรมันจําเป็นต้องฆ่ามันจะต้องมียากันยุงไปฉีดเพราะมันจะกัดมากินเราก็เลยเล่าตอนยองเชื่อไว้ว่ามนุษย์เนี่ยตายแล้วเกิดเป็นเล็นเนอะนะมนุษย์ตายแล้วเกิดเป็นหมอนเนอะนะถ้าขนาดเลนเป็นตัวเล็กัปยุงเน่ยทำไมมนุษย์ตายแล้วเกิดเป็นยุงไมนะ่ได้ฉันถามพวกนี้มันต้องม่บอกมากหรอเห็นไหมเราฆ่าแค่เลนตัวเดียวหรือยุงตัวเดียวเนี่ยมันจะได้บอกมากเลยยใช่ไหมฮะ นีม่มพูต่อขั้นตัวเองนะก็อย่างยกตัวอย่างนช่นว่าท่ารูปเนี่ยท่านรักษาศีลมาอย่ันดีอะไรยังไงท่านรักษาศีลมาอย่างนี้อยู่ต่อมาก็คือท่อานไปได้กีวรหยาบหยาบมาเพราะได้กีวเนื้อหยาบมาเสร็จเ็จก็คือว่าท่านก็ไปให้พี่สาวยอมที่สาวก็าเป็นเลาะใหม่แล้วทําเป็นข้าเนื้อละเอียดพอเป็นผ้าเนื้อละเอียดเสร็จเร็จกลับมาถวายท่านท่านบอกเก็ไบกกไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนต่อมาเกิดท่านเจ็นโรคที่ปัจจุบันท่านดูดที่มาเนี่ย ใจท่านกปะวะัติปัญหาเนี่ยไปยืนยืไปชื่รงมในในท่าเนี่ยจุีัติกิตปฏิสุที่ก็เลยกลายเป็นอะยรวิ่งอยู่ในท่าอย่านี้เป็นกระจกที่เป็นทักห้ทักษะนักษายสีย่างดีเพราะเพื่อปฏิบัติมากอย่างดีขอบเช่าด้วยนะแต่ไม่ระวังปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะใกล้โบรณาณสถาการตายแล้วจะเกิดเป็นเลนดยนะนดทั้งเราก็ไปค่าเลนตัวนี้นนอดีตสุดช้าที่มีวุรรมใช่ไห้ยนะ เราไปดีเลยนะตัวมันก็าบากหนั้นะถ้วเรา่ายยุงนตัวไม่เห็นเป็นไรเลยเราจะรู้ไหมว่ามันดีศิพ่อแม่เราก็ไหนเพราะพระเจ้ากขาตรัสไว้ใไห้บอกว่าดูความที่ตู่สบายในโลกใบเนี้ยในชมพูทวีตเนี้ยเธอไปตัดต้นไม้ใบหญ้านะตัดมาเศรเศก็มาทำให้ตัดในความหนึ่งเพิ่มเนี้ย โรคใบนี้ทต้งใบนี้นะต้นไม้ใบยญ้ามาตัดหนึ่งชึบหนึ่งชึบหนึ่งชึบ ม, กกมัดตึงมัดไว้แล้วก็มาวางไมมว้นี่สมมติเราพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราสามมีภรรยาเนี่ยหญ้าในโลกนี้หมดตอนแต่ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นฝู่เปนน้าเนี่นยงไม่หมดเลยลนั่นมันคืออะไรกันไหมฉะนั้นไอเ้อไเรือ่องต้นลนะเบื้องต้นนี่ยค้นหาไปตรงนี พุทธญาณของมัน ย, ยาวอย่างนั่นคิดไงคิดไปก็วนไปเรื่อ ย, ยมันยาวนานมากขนาด น, นั้นเป็นสาววจัพทิจารณาอย่างนี้แล้วทามาหนน่าร่วงใช่ไหมถว่าคนที่เราเราลองคิดดีว่าคนคนนี้เหมือนยมที่นั่ ง, งนั่งอยู่เอ๊ะทาไมบางทีเนี่ยคนคนที่ทำบางครั้งเราดีใ จ, จกับพฤติกรรมของเขาที่พาเราอชอบใจแต่บางครั้งเราเราเร า, เราโกรธ วัตถุชิ้นนี้จะอยู่และเราโหลดเราลักได้ยังไงถ้ามันไม่เกี่ยวข้องในสมศรวลัทธ่พราหมณ์ใช่ไั้เหมพระพุทธเจ้าเป็นก็โพดีสัดตอนนั้นเราร้อยี่สิบกว่สองไข่นะที่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเนี่ยตักโพธิสัตว์ด้วยยังไม่ได้เคยเจอพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เกินยี่สิบสองไข่นะี่ตอนนั้นนะนะคือเริ่มตั้งความเรีย็นอยู่ประมาณชาติทนะี่สามเลยที่ว่าเป็นพราม พอเป็นช้างเสร็จก็ศึกษาใจที่จนจบต่อมาพอม่า อ, าาพอแม่ตายทัสมบัตรมากพอทัสมบัตรมากท่านก็พอพ่อแม่ตายเสร็จท่านก็ท่านคิดว่าถ้เราคืนกอดทัสม บ, บัตรอย่างนี้วก็ออกแล้วก็เราก็กได้จีิก็ต้องไปเยี่ยนเย่ยนในนรกแน่นอนท่าน ก, ก็เนี่ยคนมาร่างแก่หมดแล้วแก่หมดจนท่านก็อกุศ อันนี้นังไม่ได้บำเพ็ญบารมีแก่กล้าอะไรเลยนะแต่ใจท่านมันมันแน่มนุนศรัทธาท่านก็ดีวิรญาณก็ดีสติก็ดีสมาธิและปัญญาก็ดีถ้าวิญญาวิญญาณสติสมาธิเหี่ยเหมือนอะไรเนี่ที่ท่านอุปมาที่ว่าทั้งที่แล้อุมาพูดโคล่ะไอวัวอุปมภากับวัวธรรมดามันต่างกันแต่ลักรณะนนะ นี่เนื้อวัวอุภาพมันเป็นวัวที่ที่มีลักษณะดีถ้าวัวประเภทนี้นะขุนถ้เลี้ยงมันดีเนี่ยมันจะเป็นวัวที่วิเศษใช่ไหมมันจะรบเป็นวัวที่วิเศษถ้าเราเอาวัวอุชุพนี่นะที่มันถึงพร้อมด้วยลักษณะแล้วถ้าเลี้ยงมันอย่างดีเนี่ยแต่เอาไปเลี้ยงแบบวัวธรรมดามันกลายเป็นวัวธรรมดานี่เช่นเอาไปเที่ยงเวียนกับวัวธรรมดาให้กินอาหารแบบวัวธรรมดาให้ที่อยู่อาศัยแบบวัวธรรมดาเนี่ยโดยจริงจมันจะเป็นวัวธรรมดาลักษณะก็วัวธรรมดาเอง แต่ที่นี่ถ้าหถากว่าเราเรามีวัวแบบนี้มาเราต้องเลียงมาเลี้ยงกันยังบางดีเราือว่าทําคอกที่ใหม่ต่อชายเป็ผมให้ดีราอยคอยเกิดอุจจาระปัสสาวนบางิีและข้างบนก็ต้องผูกผ้าแดงไว้ด้าในขนาดโยตันอาหารเรากินยังไงก็ให้เขากินอย่างนั้นนะเรากินยังไงก็ให้กินอย่างนั้นคอยใชน้น้ำหอมดูแลเขา ขุนเขาเลี้ยงเขาให้โตแล้วก็กลายเป็นวัทนวที่มีกำลังน่าเป็นวัวที่มีกาลังก็จะเป็นวัวอุจุพัวัวอุจุพัชเนี่ยเขาสามารถจะดูเป็นวัวจากหูสามารถดูดูแล ว, วัวธรรมดาได้เป็นทันโ้ยนะและสามารถป้องกันถืงและป้องป้องกันสับต่างๆสับไล้ต่างๆที่มันจะมากินวัวได้เลยและวัวอย่างนี้ทำเป็นวัววิเศษอย่างว่าถ้าเจะไปเลี้ยงนหน้าตระกูลไหนเนี่ยมีพายมีเศษน้ำทายอะไรเนี่นย ในเกีรยรติหงคาเรียนนั้นจะไม่มีโรคร้ายที่จะป้องกันพวกใครจากอันตรายต่างๆนะถามว่าณวันนี้ยังมีศรัทธาไหมีไม่ีมี ม, ม, ม, มีวิทยาไความเพียงไหมศรัทธามันเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญหาวิิยาค่ะมันเป็นปฏิปักษ์ต่อโกหกชาติความเกียดค้านความท้อถอย ความที่ให้กล้าปล่อยจิตในการที่จะศึกษาก็ทำอย่างเต็มที่ใน้กล้าปล่อยจิตที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างเี็มที่น้นเป็นควรสัจฉันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าวิญญาณมันกล้าคือกล้าหาที่จะฟังทำกล้าหาที่จะศึกษาก็ทำนะท่านเป็นปฏิบัติของโพสัจฉะสติเป็นปฏิบัติต่อมุทัตสติคือการหลงลืมจะมาที่เป็นปฏิบัติของความฟุ้งซ่าน ปัญญาเป็นกาิตัก ต, ต, ต, ต่อสัมโมหะคือความหลงใช่นิดถ้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแบบธรรมดามันมีกันอยู่แล้วแบบธรรมดาที่มันไม่ไม่ขึ้นระดับเป็นอินตีไม่ได้ไม่ขึ้นเป็นระดับเป็นพระมันไม่มีกาลังแข็งแรงน่ยมีอยู่ไมด่ดีแต่ถ้าเราเราก็ให้อาหาร ของศรัทธาของวิริยาของสติของสมาธิของปัญญาให้อาหารให้ปัจจัยของเขาแบบแบบวิริยะวัวธรรมดาเข้าใจไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยศรัทธาวิญยาสติสมาธิปัญญาเขามีลักษณะดีมันเหมือนวัวอุสุภาแต่ถ้าเราไปให้เหตุให้ปัจจัยของเ้าแบบธรรมดามันจะกลายเป็นศรัทธาวิริยาสติสมาธิธรรมดาเช่นอย่ยงคุณยมเนี่ยเป็นพยาบาลเนีนะศรัทธาในการ ประกอบอาชีพพยาบาลทัศน์ทางและสถานช่วยเหลือคนไข้มีตัวทางเชี่ยวมากในความดีที่ทำใหเชี่ยวธรรมดามีความเพียรในการทํางานไี่มีขยันมันเพียรมีสติไม่ในขณะ น, นี้มีสมาธิไม่มีมีปัญญาไม่คิจารณาแก้ไขสถา น, นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมดา หรือเอาสตาวิทยาสติสมาธิปัญญาไปใช้งานทางโลกของเราไปคาดขายไปประกอบอาชีพการงานนี่ยอย่า ง, งยองสงสารใช่ไหมมีสตาวิทยาสติสมาธิปัญญาไม่มีแต่เอาไปใช้แบบธรรมดาในที่สุดจริงจริงมันเหมือนบัวเราไปเลี้ยงแบบธรรมดาในทีน่สุดจริงจริงมันก็จะตังไปอย่บัวธรรมดาเลมันไม่พิเศษหรอกเพราะเราไม่ได้ให้อาหารอย่างธรรมดา ไม่ได้ทำเคาะไม่ได้อาหารพิเศษแต่เขาไม่ได้ให้ทำเคาะแต่พิเศษแต่เขาไม่ได้ดูแลเขาให้เป็นพิเศษห็นไหมเขาเลยไม่ต่อเต็มที่ไม่แข็งแรงเพราะไม่ต่อเต็มที่เขาเลยไม่ได้เป็นวัวอุชุพที่สามารถที่จะดูแลวัวเป็นทําตัวได้และที่ไม่สามารถที่จะสามารถลากเวียนโค่นนันทชีวสารนั้นลากเรือนเนี่ยหางว้อยหนึ่ง ฉันศรัทธาวิญญาตสติสมาธิปัญญาเนี่ยเหินปัจจัยของศรัทธาคืออะไรอาหารของสรัทธาคืออะไรเราไม่ได้ให้มพื่อเต็มที่อาหารของวิญญาตคืออะไรเราไม่ได้ให้เต็มที่อาหารของสติสมาธิปัญญาเราไม่ได้ให้เต็มที่จิตอินทรีย์ของเราเลยให้เป็นไม่ใช่จอินทรีย์ที่แข็งแรงไม่เป็นพลังที่ชื่นใงก็เลยไม่คู่ควรต่อการที่จะเป็นปัจจัยแก่มหาคตากุศลและ ม a นก็ผูดไปแล้มองเห็นเนี่ยซึ่งซึ่งเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเราลองไปนี้นะี่เขาแบบธรรมาดา้วหปามทุกวันที่เราจะเสียใจกันอยู่แล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆ ม, ง ม, งมันก็จะตายมันก็จะตายมันก็จะวนธรรมาดานี่จะตีนธรรมดานี่น่มั้ทั้งที่มันมีกันลนะมีกันทุกคนนะ ศรัทธาก็มีวิทยะ ก, ก็มีสติก็มีสมาธิและปัญญาก็มีอันนี้ก็พูดปาให้คิดไว้ว่าเึ๊ะลองตัดใจแล้ต้องเรียนเข้งาใหม่ด้ววิธีเลี้ยงใหม่มก็คือดงออกมาดึออกมาแลวให้อาหารรมดูแลเขาหนอดูแลอะไรยงนึกอกหดูแลศรัทธาให้ดีให้ศรัทธานัน้นเป็นปฏิปักษ์ต่อตัณหาให้ได้ ดูเลอรี่ไอ้ดิเหอร์รี่าั่เป็นติดต่อโพราะสัตย์ไอ้ยังนั่งน่ะฟัาางคำเนี่ยถ้าเราเพียนในการที่จะฟังจริงๆเนี่ยเราจะทำไรความซึ้งบอกได้นไหมทำ ไ, ได้จริงๆนะแต่ถ้าเราจะฟังแบบธรรมดาไม่ได้นะฟังแบบจุ๊ๆฟังไปได้ไหมเมันจะได้หรใจใช่ไฟังแบบเพียนพอผจญปากาไม่ให้มันมารบกวนในใจ ก็ได้เ ห, หมั้จริงๆมันทําได้เราให้อาหารก็ได้แต่เราไม่ยอมให้อะสติเนี่ยเราจะเป้าแบบชั้นธรรมดาก็ได้ทำไปหลงไปฟังไปลืมไปฟังไปก็ได้แต่ตั้งใจเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้ไหาได้อีกแต่ทำไมไม่ทำล่ะเราเคยเลี้ยงเขาแบบนี้มาตลอดไงสมาธิก็่อยปัญญ า, าดีก็เป็นเป็นต้นอย่างนี้อันนี้ก็ ทีนี้พอราม่ไดดิออจบงด้ว่ถามว่า้มีโอกาสไปนั่งอ่งจะอกลุ่มนึงที่อยากม า, มาไม่ได้ไอที่ไม่อยากมาก็า ก, าก็เยะยแล้วก็อรนเนี่ยโอ้โหหน้าวดเดียวนะชีวิตเนี่ยชีวิตหน้าวดสี โอการในการศึกษาว่าทำเน to ี่ยคือการตรงๆก็คือนักเลยหลองไ่ทีังนัเลยนักเลยหลังเลไม่รู้อาิตหน้ายังมีโอกาหมนั่งึกษาเพิ่้ก่อันนี้เป็นข้อทจริงที่เราเกิดขึ้น้เป็นแค่จริงอาจจะจะมีปัจจัยอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านแล้วเปล่าไม่พวดยี่งมันไม่แน่้จหรือเปล่าไม่รแล้วก็ที่จริงเป็นแค่จงก็ก็ว่าสารจแบบเนี้ย และอยู่ก <realised> ันแบบมุทะตสอ่ะแบบหลงอ่ะแบบหลงลืมติอ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าสองสามที่นาทีข้างหน้าจิตจิตจิตจะเกิดมีใครรู้เลยแต่เชื่อไหมทุกคนนั่งปบำมบำหมดเลยนะนั่งะหมบำอุทยานแล้วไม่เคยคิดเลยนะนอกจากถามคนใกล้จะตายทุกคนเนี่ยคนก่อนในอเมานั่งคุยยมคนนี่คุยันสนุกสนานเลยนะ แต่เมื่อแกขับมอไซคออก จ, จบบากจากวาดเนี่ยจกไลยถูกรถชนตาไม่มีวี่แววแล้วก็มองไม่ออกด้วยว่าแกจะตายอ่ะแต่ก็ไม่ออกมาจะตายเนี้ยและและเรื่องเหตุการในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไม่เอามาเ ล, ลึกบ่อยๆนะกุศสไม่เดินทีนี้ถามว่าเราศึกษาพระธรรกันเนี่ยหลายๆคนนี่มันเรียนจบอภิธรรมนิดกว่านี้ศึกษาพระธรรกันไปเยอะแยะกว่านี้น มันมีปัญหาตรงไหนหรือมันปัญหาที่ออกมาเจริญไม่ได้มันเป็นปัญหาว่าคือในชีวิตจริงบอกเมื่อวานเรานั่งคุยกันนั่งคุยกันบอกมึนเป็นเรื่องแตกแกกตรงนี้ว่าเรารู้จักศีลไหมรู้จักสมาธิไหมรู้จักปัญญาไหมทีนิ้ในชีวิตจริงเราจะเอาศีลสมาธิปัญญามามาให้มันเกิดยาวยังไงเนี่ยตรงนี้ เป็นเรื่องยากเช่นว่าจะให้กูตัวเลขศีมันเดินในยังไงยากเอกภาษาพูดหรือว่าเวลาคุยจะเนี่ยได้แต่เวลาที่จะเอาไปใช้เนี่ยเช่นชีวิตจริงเนี่ยเช่นเดินยังไงให้กุตัวเลขศีเดิดนั่งยังไงให้กูตัวเลขศีมเดินนอนยืนเดินนั่งนอนคุยเหยียดก้มเงยหรือในขณะที่สนธนากันเนี่ยในขณะที่นั่งฟังทำอยู่เนี่ยให้กูตัวเลขศีมันเดินอย่เงี้ยจิตทํายังไง ยังวหมาตองแสดงตัวอย่างนี่ั่งอ่งเนี้ยเพตอนนังเนี้ยกูจะรีบนเดินไงมันเดินยังไงเจดนาเจดนาเจดนาเธอมันเดินยังไเพราะว่าไอตัวตัวสีมันเป็นระบบใช่ไหมเจดนาก็ชือว่าสี เ, เจสิกจะชื่อว่าสีสามวนันจะชื่อว่าสีเ น, นี่ยนะเอาวิจิตสมา ก, การไม่เข้าร่วมก็ชื่อวสีว่าในขณาที่เราเราเรานั่งเนี่ยเรามีเจตนาวดเว้นอย่างการข้ามต้นถ้าตอนนั้นไม่มีเจตนางดเว้นอันนั้นเจตนาสีไม่ดช่หรือถ้าหากวน้องคีว่าเ อ, า เ, อาเจตสิกสีน่ะ สัมาวา ย, ยาสัมมากรรมจาัสสัมม า, าชีวะโกิดไหความงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นงดเว้นจากการเเกี่ยวเรื่องของอาชีพประการต่อมาคือว่าอนัตติชาตอนนี้น ไ, มนนนไม่โลกไหมในขณะที่ฟังฟังยไม่โลกไหยติดน้องออกจากกามอบุญยไหมตอานี้ได้แล้วหรืไหม ตอนี่ไม่โกรธใช่ไหมใจติดใจเป็นอะไรกับเมีตาอันนี้ก็เป็นสุสวรรคสีนะแลอวมีปัญญาที่จาเรียนเาวัสดุทั้งหลายมีกองเป็นของของตนเป็้อนหนึ่นี่มันเพื่อกูณต่อการที่ไม่ร่วงละเมิดไม่ประพฤติในผิวอันนี้เจตสิกสีมันเกิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเจตสิกสีเกิดยังไงเนี่ยที่เราจะเดินความรู้สึกแบบนี้อย่างไรให้มันยาวๆเดินให้ต่อเนื่องนะเช่นเกี่ยวข้องกับท่านคนนี้สูสวรรค์สีก็เดินดีเช่นเรามีเมีตากับท่านคนนี้ เราไม่โกรธเราน้อมจิตมีความ ป, าปราณนะมีความรักมีความเอื้อทอแบบจากจิตจับใจแต่คำว่าเมตตามันต้องออกไปจีิจงๆไหมันต้องออกไปแบบจากจับจิตจับใจนะไม่ใช่ออกแบบปากพูดไปกับเทปตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเช่นพวกเมตตาเหล่า น, บบนี้นะแต่ไอ้ตัวเมตตาเนี่ยมันมันวิ่งไปเลยช่นคิดถึงโลกก็ มเมตตาเขาหลักฐายเขามีความสุขให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตที่ถึงเพื่อนตอนเขามีความสำเร็จในชีวิตให้เขามีความสุขเนี่ยมันน้องไปจรินีัยอันนี้มันเป็นขับในวาระก็คือไม่จบถ้าไม่จบเนี่แปลว่ามีสีไหมมีเพราะตอนนั้นเนีไม่เหยียดเบียร์เขาไม่ฆ่าเขาไม่กระทุสยสไลด์เขาเป็นต้นอันนี้รวมถึงอะไรสิ่งนั้น ในในขนาดเดียวกันกแลอิป ก, ก็ตั้งมั่นไปกนสมาธิแล้วปัญญาก็ไปไข่ลวนลยว่าอือเราโชคดีแล้วเนาะเราได้มอพื้ปฏิบัติตางก็ทำกรรมสอนของพระพุทธเจ้าเดินต า, ามรอยสมงพรหลานได้บูชาคุณของพระพุทธเจ้าถ้ามันเข้าใจอย่างนี้แปลว่าอะไรกุญสวสีบุญสวดมาธิแล้วปัญญาม่เดแล้วไวิธีคิดกับที่มันเดินได้ยังต่อเนื่องไหมถ้ามันเดินวได้หยุดอต่อเนื่องแปลว่าอะไรแปลว่า สิกขาถามเดนะินแล้วที่ชีวิตเป็นสิกขาถามถามว่าถ้าใครสามารถทําทสิกขาถามให้เดินได้ย่าวๆเรื่อต่อเนี่ยเนี่ยชีวิตท่านคนนั้นจะมีความสุขไหมเราลองมาคิดดูนี่เลยว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเรามีความสุขั้มแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคือนสุขใจแต่การในในน้อนปัญหาคำตอบเนี่ยเป็นอะไรถ้ามันให้เซนเนี่แปลว่าเราผิดพลาดเนีน การปฏิบัติเราผิดพลาดกันพีสงสัยเหลือว่าไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าผิดเหมือนแต่เราผิดเนี่แค่วันหนึ่งวันหนึ่งทําไมเราไม่มีความสุขตั้งแต่ช้าเชบาเย็นตื่นขึ้นมาอนะไเงี้ยทำไมมันเครียดมันตังวลมันวิตกกังวลเลย อ, อันนี้บอมบอกอะไรบอมบอกว่าเจริญติดขาถามไม่ไม่ถูกเพราะถ้าสีาติดเช้ไม่เดินโทรศัพท์มันเกิด สมาธิสิกขาไม่เดินอันหามันเกิดโลภามันเกิดปัญญาสิกขาไม่เดินคือความหลงมันเกิดใช่ไหมเมื่อสิกขามันไม่เดินในกระแสขันแต่ว่าอกุศลนี่มัแท้ถ้าอกุศลยาวมันจะทุกข์มาแต่ถ้ากุศลมันเกิดยาวๆมันก็มีความสุขในชีวิตไงมองอะไรมันก็สามารถเอามาใช้ควรเป็นอกุศลได้เริยบรู้เลย่ว่าจริงๆการปฏิการปฏิบัติธรรมคืออะไรมอบไหม ยันมามาองแต่เราจะเดินได้ยังไงเดินยาวๆเนี่ยจะคิดผู้สนให้ยาวคิดยังไงถ้าใครสามาร ถ, ถติดตรึกไปใข้ควรได้คิดเป็นผู้สนได้เองไม่นม่นะสองนาทีสองนาทีสี่นาทีห้านาทีสิบนาทียี่สิบสามสิบแล้วถ้าใครให้ทวนได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะในชีวิตยังไงทุกคนต้องคิดไหม คะไม่คิดมันต้องคิดตลอดเวลาคิดถึงแก้วคิดถึงน้ำเอคิดถึงคนโน้นทำโน้นทำนี้แต่ความคิดถ้ามันเต็มไปกับศีลสามกิเลสมันไม่แกทีนี้มันรุ่นเนมันไม่เคยคิดแบบนี้เพราะไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระเจ้าให้เข้าใจไงแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เป็นปัญหามหมท่องได้ไหมได้ลองให้ท่องดูดิ สงมนาเสสายทาทงที่ดก็จะสงยทางสายสงสายที่างสงไม่น่าเสื่อมสาท่าทางที่ก็จะสงยืดทางสายสงสายที่างสงไมนาื่อมสาท่าางที่ดีก็จะยืดยืดทางสายสงสาที่างสงไม่น่าเ่อสา่าทางที่ดก็จะยืดยืดทางสายสงสายนี้จางท้องในความโลภก็ได้ใช่ไหมในความโลภนั้นท่องได้มาหน้าก็ได้ท่องได้ที่ดก็ได้ชักชวนในชักชวนในนก็ได้ท่องในวิชาแล้วนะ และท่องด้วยความโกรธก็ไ <imprisoned> ด anyway, ้ท่องแบบฟุ้งซ่างก็ได้ท่องแบบลําเลสงสัยก็ได้อะไรแลจได้วยเนี่แม่คุณแล้วจิตมีสัญญาใจในสิงประกอบบนมีวิชาสติด้วยมีวิชาวิตกด้วยที่เพราะเราคิดเก่าเนี่ยเนี่ยเราคิดแบบเดิมนุณเล่นปกติไ ตอนนี้นายที่พูดแล้วว่าคือปัญหาเน่ยก็คือปัญหาหคือปัญหานีา่ไหมถามว่าพระพุทธเจ้าเจอปัญหาไหมเจอถาว่ของพระพุทธเจ้าเจอปัญหาไม่เจอไม่ไม่เจอเจอเยอะๆนะยกตัวอย่างเช่นพระาลักษมณ์าราเนี่ยกลับไปที่บ้านเจอปัญหามากเอางี้เยว่าทอาถึงทอนสมุดเนี่ย้ น, นตอนนั้นเป็นมนดุจคนด้วย นังนเจอปัญหาหนากกักของพวกเราเองจะพูดถึงปัญหาแม่ก็อยากจะให้ท่านสืบทํายังไงก็ก็ไม่ได้จนถึงหัดลงทุนไปจาป้างผู้หญิงที่มีสามารถแสดงมายาได้จังี่สี่ห้าสีอย่างคือเอาผู้หญิงที่เก่งที่สุดเนี่นะแล้วก็นนี้บนท่านขึ้นไปบนประสาทท่านที่เก่งนะแล้วปิดประตูมาแล้วท่านเป็นพรอผู้ริโภคได้นะปิดประตูแย่เสร็จแล้วก็ให้อยู่กับผู้หญิงร้องร้อง ก็เป็นตายก็บรรเทาเล้อยอาตัวไม่รอดนะใช่นีมได้ที่ปัญหาหนักไม่ใช่เช่นผู้จ้าอยู่ว่าเชราวันผะเจ้าแสดงทางมุงดูก่อนที่จะตายตอนนี้ล้มคราเกิดเนื้อตลอท่านรุนทอนจนหมดจะจะจงานพวกนี้ใต้น้ำก็โหก็ปังอยางผู้เด็พากปังแต่เม่ันหนึ่สงครามเกิดขึ้นแล้วไคแพ้ไทยชนะไมกระทท่านายนั้นก็จะแสดงมายาที่ที่ตัวที่ร่ำเรียนทุกอย่าง ก็จะยัดด่วยวนให้ให้สุดแล้วท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะลงมาได้ด้วยท่าแก้ปัญหายัางไงด้วยท่านแก้ปัญหาโดยการให้ควรพิจารณาคือพิจารณาเหมือนอย่าง่ว่าท่านมหากัาสมาล่าศีรา่างเน่ะที่เห็นพสตินางหไล่ลำราตามถนนหลวงไะท่านก็ให้ควรพิจารณาท่าบอกว่านานที่กําลังชคิ้วไหวนะ ส า, ารเสียใจพวงนางมี่ิ้วไหวนะมีแรงลมภายในเป็นตัวกลับเพื่อนอยู่ไอแรงลมภายในนั้นมีจิตของนางนั้นทีคิดเนี่ยเป็นตัวกลับเป็นตัวขับแรงไอจิตนั้นก็มีเสียงดงนตรีเป็นแบบนี้ท่านก็วใครพวรรักขนาดนี้แต่ท่านถึงทอหัวแล้วท่านจะเรีย ม, มาที่ว่า พอจเจรินสมาธิเบ็ดเสร็จแล้วได้ในสมาบาัติใช่ไหมได้ฌานเอาทานเป็นบัติเจริญวิปัสนาเป็นพออยงนี้ อ, ออกต่างระดับกันที่ถามว่าปัญหาไหมท่านก็แค่ปัญหาแค่เพียงแล้วปัญหาหนักเลยถ้าคนตกใจดุ้งเลยใช่ไหมถ้าติดถามไม่เดินนี่แล้วท่านก็เสหายไปแล้วห ล, วลายรูปนะ่อไปเบ็ดเสร็จผู้หญิ่งพาดึงโยนออกสุกไปแย่หมดถ้านจะทำไมครับพุทธอาจ์พ่อแม่ไม่อยากให้เกิดอย่ ทีนี้ถามว่าในชีวิตจร Android ิงของพวกเราเนี่ยถามว่นในที่ทํางานที่เราปัญหาเยอะไหมเยอะปัญหาเยอะทุกที่ยอมว่าในในอพยูวงปัญหาเยอะกว่าเรายอะนะไหนเยอะมันยเอกแค่าในหนอนก็มีปัญหาแบบนอนมดก็มีปัญหาแบบมดตัวก็มีปัญหาแบบตัวขึ้นก็มีปัญหาแบบขึ้นเยอะ เปรตก็มีปัญหาแบบเปรตอว่ากายก็มีปัญหาแบบอสรกาสัตว์นรกก็มีปัญหาแบบสัตว์นรกมนก็มีปัญหาแบบมนงนี้สรุปก็คือว่าปัหานั้นเป็นอะไรเป็งศาสจรอะไรคือเเกี่ยวข้องกับอะไรก่อนเราเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกนิ้นใจใช่ไหมแค่ลำทังตาหูจมูกนิ้ยใจของเราเนี่ยมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเป็นตัวปัญหาอยู่แล้ว แล้วเราไปเกี่ยวข้องตาหูจมูกลิ้นใจใจสองหนึ่งงั้นมันก็ทุกข์เพิ่มอะถ้าไปเกี่ยวข้องตาหูจมูกลิ้นใจใจมากมา ก, ม, ากมันจะทุกเพราะอะไร ม, มันก็รวมจะเป็นตัวปัญหาถ้าพูดนนจะเป็นชาตก็ถือว่าถ้าเอาคนเป็นโรคไปเองไงมันรวมกันอยู่เป็นตัวปัญหาใช่ไหมเราก็ปัญหาเขา ถ้าอย่าแตกใจเลยเท่าระหว่างปัญหากับปัญหามันมารวมกันอยู่มันเป็นมหาภัยปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าเรา จ, จัดกริรื่องดีขาสามยังไงเออปัญหาอยู่ตรงนี้ถามว่าศีขาสามเนี่ยเราต้องไปฝุดในขณะที่ไปเจอปัญหาหรือว่าฝุดก่อนใช่ไหมเราศึกษาพระํารมนะวันนี้เนี่ยถามว่าเหมือนที่เขาตั้งกระแสเดียว ก, กว่า ที่เราเครียดเนี่ยแปลว่าบาปมันเกิดแล้วเราเครียดเรื่องอะไรเรื่องที่เคยเกิดไอ้ความไอ้โทษสาอันนี้มันเคยเกิดแต่เราแม่ดีที่นั่เคยแล้วใช่ไหมอันนี้แปลว่าบาปเก่าไม่ใช่บาปใหม่ต้องขาดอะไรรู้งไหมขาดวิญญาไอ้โจววิญญาตัวสมพระประานมันลากบาปเก่ามันลักลักบาปเก่ายันลักสองอย่างบาปแม่ดีตับ บาปใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดนี่นะบาปในอนาคตที่จะเกิดใหม่ที่บาปในอดีตมีสองลักษณะบาปอดีในปัจจุบันเราพบกับบา ป, บาปอดีในในชาติที่ผ่า น, านมาในสมัยบาล้วว่าถ้าบาปในปัจจุบันเราพบแว่ามันเคยเกิดเรกกายังได้เช่นว่าไอ้คนคนี้มามีปัญหนาอย่างนี้เอกแก้ไม่ได้คืออะไรเป็นโทรศาพแบบนนี่มันบาปเก่าในปัจจุบันเรบตั้งสมาทานนี้ย สมาทานบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้โทรศัพต้องสมาทานดีกว่าด้วยเนะยจะไม่ให้โทรศัพจะไม่ให้ความบุดหีบฟุ้งซ่านจะไม่ให้บุธจักเป็นต้นเหล่านี้นะหรือจะไม่ให้มานะไม่ให้ทิชชี่ไม่ให้ยุติปิชาไม่ให้โลพาโทรศัพท์มหัเนี่ยไอที่มันเปิดมันเคยเปิดแล้วเข้าสู่กระแสติด ต, ตรงข้าไปเจ้าอีกนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต่อมปต้องตั้งอัธยาสัยไว้แบบนี้มันตองตั้งบอาไว้ใช่ไหม บางทีเราไม่เคยตั้งใจไว้เลยเนี่ยเช่นว่าเราตับไปบ้านเนี่ยเพียรเนี่ยให้ตั้งอธิยาสายว่าข้าวเจ้าจัดไม่ให้บาป่อคือปางโรคกวดหลงเนี่ยตลอดคิศที่ไปดีมาหน้าก็ดีอธิการโรคสะพานรูปให้จากเป็นต้นก็ดีที่มันจะจกขึ้นเหตุการณที่เราไปที่บ้านแล้วอย่างเลินเลิเนี่ยท่างอธิยาายไว้ที่ว่าจัดไม่ให้บาปเพียร์นี้เข้ายู่กระแสสิทธิของข้าวเจ้าอีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่ง อีประการหนึ่งก็คือบาปเก่าแน่ดีเราจะรู้ได้ ย, ไยังไงอ่ะยังหลานบาปเก่าแน่ดีแต่ชาเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมากลับมาเกิดอะไรเนี่ยสมมุตินะยอมจำหลานเห็นหน้ายอหมหูปุ๊บปุ๊บไม่พอใจ ทั้งๆ ท, ที่ในในทุกๆวันเราไม่เคยเราไม่เคยเราไม่เคยจดใช่งไหมนะแต่เรมาดูวันนี้พบว่ามันพุกขึ้นมาเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมรถมันต้องเคยสะสมมาแน่นอนในอดีตกระชั้งกระแสจิตไว้ว่าบ า, าปในอดีตชาติก็ยัไม่ให้ก้าถูงกระแสดีก็ทเท่าเจ้าน่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นนี่คก็เรียกบาปเทา แล้วคนบาคนเป็นไง น, นี่นะนี่เรไม่เคยเห็นหนะเขาเรยนในชาตนผู้ใหญ่ยืนครั้งแรกพอเห็นปุ๊บเ่นั้นเก็รู้สึกต้อง้งแงไงชอบ่น้เดินก็นไม่ า, ายิ่งเสียงพูด้ไม่ได้เสดนะ่หอเดินไม่นาดูยแล้วลไม่ไเสนะียงพู ด, ดนาะมีน่าดูก็ดิ่งกิริยาท่าทางปันเลยรับไม่ได้ด ก็ถามว่าเขาไปทาอะไรให้กระคุนผมไม่รู้เห็นหน้าก็ามันได้แลอันยิ่งชาชัดเลยถ้ามันไม่เคยเกี่ยวข้องมาเนยอันยชาต้องแนวอะไรกันกพยายามเนาะไม่ให้มาเกิดความเย็นอ่อนมองเห็นมันแล้วก็ไปเพียนในการที่จะเจริญกุศลแต่สี่ไม่เกิดก็เอาความเีย็นไปดูวกับเย็นทํำให้กุศลสิ่งเกิดเรื่องนี้เข้าสู่ปิตวาที่ยังไงเข้าเนี่ยแต่ก็ก็ ก็วิรอบรอัวที่บรรดาเ น, นียนะแต่ก็คือว่าต้องการอยากจะเน้นบอกในเรื่นะองการเจริญศีรษแล้วมนันเป็นปัญหาดีๆีถ้าเราเอาตำามันนั่งอ่านอานอ่านกันนจะเลไม่ถูกอั น, น้น จ, จริงเลยนะไม่รูจะเจริญยังไงไม่้จะใช้คนยังไงไม่จะพิจารย์ยังไงมถ้ามันอย่างนใครก้าสภาพให้บอกเลยบางครั้งชไ น่าจะที่มันน่าจะได้บุญแน่เลย่นะตลอดแต่ทำไมบา้าพุ่งเกิดเลยเพราะอะไรคื อ, ค, อ, ค, อคือการใช้ควรโดยบ่อยนี่เขคือตรงนี้ก็ก็อสอนยากเื่อย่างนี้นะแต่ก่อนนี่นะก็เวลาศึกษาคำสอนอหนึ่งมาที่เราก็ท่อง ไ, ได้แต่ก่อนนั้นเข้าใจว่า เวลานี้ศึกษาปริญญาเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไปตรวจมวงเวลานี้ไปฉันเวลานี้ไปวินอบาเวลานี้มานั่งกรรมฐานเวลานี้มาตรวจมวนเนี่ยมันก็จะแยกเวลาไปเสร็จเลยว่าเวลานี้จะเล่นกรรมฐานเวลาที่ไม่ได้จะเล่นเพราะฉะนั้นนี้ฮะใช่ยิ่งมันผิดหมดไงเพราะอะไรอ่ะมันผิดผิดโดยสิ้เจองแหะมันจะเล่นไม่ถูกมันทําไม้ถูก แม่เหนือนี่ยอมบอกวายลมบอกว่ า, วาฉันจะเป็ น, นแม่คุณกตอนที่ันอยู่จะหน้าคุณไรองจะทำหน้าที่แม่ตอนนั้นมาณน้ทาได้มัเขาจะจีนะงมันขาจะหีนนงถ้าคนมีรูเน่ยถึจะไปอยู่แีนไหลก็ตงทว่าี่แม่อยู่นั่นแหละความจึกความเป็นแม่ไม่สุดตลอดต้องใส่ใจตลอด มีความสําเนจในการที่จัดเจริญสีสมาที่ปัญญามันต้องหลดจากหุ้นเจดโผนั่นเองนะเวลาไหนสีมันไม่เกิดต้องรู้ด้วยว่ามันไม่เกดเพราะอะไรแล้วต้องมีแก้ไขอย่างนั้นด้วยก็ปแปลว่าอะไรรู้ไหมทําอย่างไรเราจะเอาสีมาที่ปัญญา ม, มาลขับเคลื่อน ก, รรการรักษากายการจักาธที่แท้เนี่ยเป็นยัะไง ที่จะมองแบบคือเราก็มองแบบความแบบให้ความโลภมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้มองความโลภเป็นตัวขับเคลื่อนให้ฟังให้ดมให้กินอาหารให้ให้นุ่มหมแล้วก็ให้คิดนี่เนี่ยบางทีก็ใช้ความโตรธบางทีก็ใช้ความหลงเป็นตัวขับเคลื่อเอาออกไปแต่เอาสีมาที่เป็นยามาขับเคลื่อนแทนได้ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติแบบนี้มองอย่างเดียวนี้ยเมื่อหละจับ ถ้ามันมันเข้ามาแทนที่โลกก็ขับเคลื่อนออกไงผักดังก็ออกไปแล้วก็เอากลับเข้าไปแทนนี้แล้วก็ ม, ใ ม, มาใช่ดวงไหม่ทีนี้เราไม่รู้ได้ยังไงเวลาที่โรค ก, กดมันเกิดโลกโกรหลงเกิดเวลาที่สีจะมาที่ปัญญาเกิดอันนเป็นปัญหาหรือบอกว่าเวลาไหนเวลาไหนสีจะมาที่ปัญญาเกดิดเวลาไหนความโลกโกรหลงมันเกิดเราแยกออกไหมถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกเราไม่รู้เลยทเนี้ ถ้าไมใ่ใด่เราจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรากําลังเจริญมีขาสัมตอนนี้ไม่ได้เจริญตอนนี้ก็ก็บอกคือคือการบอกมันก็บอกได้ค่อนข้างที่จะมีมีข้อจากัดที่มีข้อจกาจอจกัดในการบอกแต่ถ้าเรียนตัวอย่างให้เรามาอยู่กับเออเมน อยู่กับเนร อ, อยู่กับทา่าเ น, าาาานาาเนี่ยพระกาปไหนด้วยกัรอรรมะเขาอยคุยกนลอดไม่ไม่ใชจะมาคุยได้ตลอดเนี่ยบอกด้วย่างเดินนคุณเดินยางไงคุณสึกษาสามคุณเดินนหคุณเดินยั ง, ย ง, ยงไงตอนแนะนำบอกทุกอย่างนในที่น้่งอาหารต้บอกว่าตอนนี้ศึก้าสามคุณเดินไหมเขาปฏิบัติยังไงถ้าาจาแล้วก็บอกตอนใครัวอย่างนี้พิจารณาานี้พิจารณาอาหารที่อยู่าาแลมาถามอะไรเพราะว่าในขนาะที่สงฆนะ ก็คุณจมหน้าสิกขาสามดือเดินไเข้าห้องนะไผ่เจริญตัวะสิกขาสามมือเดินไหมมองเหกนไหมล่ะอยู่ถ้ามันบอกกันทุกจุดเนี่ยนี่มันก็เริุ่ดกันเป็นอย่างเนี้ยไอ้นี่อย่างเรที่เดนมานัางบอกแบบเนี้ยพลุไปครบมันสิกขาล้วนอะไรเงี้ยเราจะไปกินอาหาไปหรือเปล่ามันคนลชีวิตกันนะจ๊วันแต่ถ้าใครเข้าใจเนี่ยเป็นเจริญได้เใช่ตัวเนี่รจินาน เราจะไปแยกลาี่เข้าห้องเราเข้ามาถามน่ยอมอยู่คนนแล้วตัวตนนี้ถึยังไมเข้าเรื่องก อ, อยู่ในเรื่องตรงนี้นะยอมเขโทรมาเมื่อวันก่อนเนะี่เขาไปศึกษาพิธาที่ที่วัดสั ม, มาก็ศึกษาเขาไปเจอเยอมค น, นเรียนจอมยามมาดิดละกระทรวงยังคนจะเรียนใจยงไม่นนมเพราะแค่ น, น, น, นั้นไปเข้าห้องเรามาถามยังดีกว่า มัวแต่มาเล่นเี่ยหลอไทยเนี่ยใช้คำวกมัวแต่มาเอยู่นีแเ้วจะไปที่ไหนแล้วเนี่ยไปเข้ากรรมฐานเพื่อปฏิบัติให้เต็นที่อลไรต่ยอมเนีไม่รู้จะคุยยอมว่ายังไงคือยอมกเลยมาสนาธรรมะไปสนธนากัรมหมดเขาบอกไม่รู้จะที่แจยังไงเนี่ยเพราะเขา้าใจของเขาแบบนี้เขาก็ใจว่าไปยเนี่ย ถ้าศึกษาพอควรไม่ต้องสึสษามากหรอกแต่ปฏิบัติเนี่ยต้องทันนะต้องทันนักให้เข้าไปปฏิบัติเนี่มาเขบอกเออโยมนี้ต่อยาถามก็าเลยถามก็เลยบอกว่าขอบคุณที่ที่เป็นห่วงหนูใช่ไหมขอบคุณเขาก่อนเรียนถามที่มาหิมใจเพราะปเรียนถามหน่อย ว่าปฏิบัติมันคืออะไรจะใถามก่อนไอปฏิบัติมันคืออะไรก่อนถ้าจะไปปฏิบัติต้องถามไอปฏิบัติมั่คืออะไรสัทธธรรมมีสามเนี่ยให้ย้อนมาปฏิยักิ์สทธธรรมปฏิบัติสัทธธรรมปิเวสัทธธรรมเนี่ยปริยักสัทธธรรมนี่ใจจิตสาวกตรีโยกอิษฐานอีาตามหลักพว่าวันเลยแล้วปฏิบัติสทธรรมเนี่ยการรักษาศีล มีทุดลมธรรมานธรรมฐานวิปัสสนาธรรมฐานตัวก็คือศีลธรรมาวิปัสสนาศีนธรรมะี่เป็นยาที่ปฏิบัติใช่ไหมปัญหาว่าแล้วขี้อยู่ในชีวิตประจาวันขี้มีศีลไหมถามเขาไหมขี้คมเจริญมีหรือศีลไมเขาก็ต้องบอกความเจริญใช่ไหมถ้าเขาจะตอบแม่กลัวเดหน้าก็ต้องบอกความเจริญหรือเขาจะเจริญูกหรือไม่เจริญก็ต้องบอกความเจริญเพราะรักษาศีล ความท่านนี้เมียเป็นปฏิบัติหรือแล้วเมื่ อ, อ, อที่เวลาคุยกับี่เนี่ยเวลาคุยไปแล้วที่ไม่พอใจเนี่ยสีนี่เป็นปฏิบัติต่อแรงถามเขาด้วยเป็นปฏิบัติต่อโทรศัใช่ไหมแม้แต่งเขาที่สีไมเ่เจอเนี่ยหรืการรักษาสีเขารักษ า, ากสาีชในเอนียบไหนเานงรักษาเารักษาเาเดินรักษ า, อก า, านอนรักษาถาม ไปอยู่ตัวไหนเนี่ยที่รักษาศีลอยู่ในแย่บทไหนแล้วเวลาคุณไปเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยคุณไปอยู่ในแย่บทไหนคุณไปยืนไปเดินไปนั่งหรือไปนอนไปอยู่ในแย่บทไหนใช่ไหมครับอกว่าพี่ต้องบอกเขาบอกว่าฉันไม่ค่ไม่ไม่ไม่คล่องใจหรอกว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการรฏิเสธที่ดีที่สุด เป็นการหีกเลียงที่ดีที่สุดนะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าไปยัดเก่าหรือําสอนของพระเดเจ้ามันไม่ชัดเนี่ยมันมีปัญหาสําหรับตัวเราเองก็บอกเขาเองนะเนีก็ต้องบอกเ้าสำคับต่อไปบอกว่าในขณะที่เราศึกษาพระธรรมเนี่ยเราสามารถทำถิ่นธมาที่ปัญญาเดินไปได้ ม, มองใช่ไหมโยมท่านไหนคือเราฟังพระธรรมเนี่ย เราฟังแบบสมัยของวุฒิการฟังเราฟังเราตั้งใจฟังจีิงๆเราไม่ได้ฟั ง, งเพื่อเพื่อเป็นพิธีาการนะเราตั้งใจฟังและในขณะเดียวกันแล้วก็ตั้งคาค้ามเชื่อในคาถาคัจโตที่คะถาเชื่อมั่นการตับรู้ของพระผู้ทธมิลภาวะและภาษาดรรมที่พระหรือโยมที่อใครนํามากล่าวนั้นเราก็ให้ฟัง ว่าเป็นไปตามรพระคำทีท่ไม่เป็นไปตามพระคำคําสอนของพริญญาหรือไม่แล้วอีกในขณะเดียวกันเราก็มานัดสิการไปในขณะที่ตอนไปฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าการฟังและเราพักสิกขาฝาให้มันเดินไปอยู่ในขณะที่ฟังเราจึงมั่นใจว่าเราปฏิบัติไปช่วยในการฟังนั้นและเมื่อเราศึกษาจนเข้าใจของแท้ในส่วนของปริยะ ่จนเช่นนี้ที่บอกว่าหนึ่งถ้าปัญญาน้อยศึกษาแบบพิสดารสองปัญญามากศึกษาแตบโดยต้องเกี่ยวกับเรื่งดันี่ยนะถ้าเราศึกษาแบบโดยโดยชัดเจนอย่างเราแล้วเนี่ยโอกาสอีกเล็กน้อยเราเอาไม่นึแต่ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเราเดินหางครูก็มาลืมหมดเลยเนี่ยใช่ไหมยะมันไม่มันมันมันใครควรให้เป็นอะไรจะมีคนทำยังไงนี่ห้อยาต้องรัก ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวเราจะรู้เลยนะเราคิดถึงอะไรได้บ้างคาสอนของพระพุทธเจ้านียวิงเข้ามาใส่เราเรเหนอเป็นแถวไว้ดีไหมเอางี้ยมมองเห็แก้วไปที่ปุ๊บเนี่ยกถึงสูตไหนบ้างไหมพระพุทธเจ้าเตือให้คิดยังไงนึได้นไม่ออกใช่ไหแต่ถ้าหากว่าเรารักพ่อแม่เราเนี่ยเราไปเที่ยวตลาดเนี่ยลจะใช้เงินพ่อแม่หรือูกเลย รู้จักใช้จ่ายอันนี้เรียกว่าคำสอนของแม่มันเตือนความรู้สึกเราไงอันนี้มันเรียกว่าอันนี้เป็นแา บ, บนี้ไหมีด๊ดตลอดเราจะมองเราจะกินเราจะดื่มเราจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนหรือเกี่ยวข้องเรื่องรายๆต่างๆก็ๆแล้วแต่ทุกเรื่องนั้ น, นมีคําสอนของพระเจ้าจะจีบตลอดเลยอย่างนี้แต่ว่าไม่ย่าห่วงเลยวช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ย่าห่วงเลย ห่วงตัวเองลยใค ห, ห่วงนะ่าห่วงตัวเองผมเล่งไม้ออกเช่นอย่างที่ยอมว่าไปทํางานเนี่ยปัญหาเยอะที่สุดจะทำยังไงนี่แปลว่น้าห่วงแล้วแต่ว่าพราพุทธเจ้าให้จะซื้อข้ามหมูเลยแต่ถ้าหาคนที่เขาศึกษามาดีเนี่ยก็เหมือนอาากับว่าท้าวที่นั่นธรรมดาพอติดตรงท่านเนี่ยมัไปทั้งอยู่เนี่ยเช่นคะวามง่วงเนี่นะแกประมานั่ง จับเงยนุมๆนี่ยเพราะพระพุทเจาปุ๊บทงานแล้วพยายามแล้วก็บอกอุบายแยกม่วงงกดีเราถ้าม่วงปุ๊บปุบเนี่ยอุบาลแยก่วงเข้าไปสู่ในใจไหมไม่เข้าเลยจะไม่ย้อนทำไมต้อรืุบขึ้นพระเจ้าสอนให้เดินจงกรมให้ทาใจให้ต้องให้ทำใจมาดจิการถึงแสงสว่างเป็ต้นตั้งความเทียงเปนตนนั้นไม่เคยเกิดอย่างนี้เลยแปลว่า ว่าคำสอนของพระเจ้านี่นยังน้อยไปถ้าคำสอนของพอระเจ้าเนี่ยไหลเข้าสู่กระแสจิตเรามากๆเลยนะแก้ปัญหาได้หมดเลยแม้แต่คุณยนอนป่วยอ่ะนอนป่วยดิ้นแบบนันะเ่างพระเจ้าปรทือนตลอดเวลาเที่ยงให้เราฟังตลอดเวลาที่ไยเทศ่ห้แล้วถ้าเจ้าป่วยขนาดนั้นเลพรเจ้าไมเห็นด้ย เพราะข้างๆเราก็มีแต่หมอมีแต่พยาบาลมีแต่คนมาเยี่ยมอะไรก็ไม่รู้เอวอวัยอะไรก็นู่ไวไวนู้หูเราก็ได้ยินตาล้วก็มองดูจมูกก็ดมกลิ่นอยู่เมื่กิกนอาหารกินก็สัมผัสคนก็นมาเช็ดเนื้อเช็ <ๆ S 1> ดตัวเงี้ยนี่คิดถึงใครเยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วในถ้าคำสอนมันมันแ น, น่นในใจแล้วแต่พิจาราไม่ถูก ท, ท, ท, ทีต่อไปก็คือว่า ยีเดียวมันก็เยอะขึ้ล้ต่อไปต้องฝึกเล ย, เล ย, เล ย, เลยต้องเร่นไหมฝึกต้องเร่งแล้วเมื่อมาธิการก็ป้องันที่ทุบอกไว้แต่ว่าจะไม่ได้บาปเกิดนี้จรโอ้หวันนี้ตกชั่วโมงแล้วเ่าเข้าเรื่องนี้เนาะที่จริงทีิงที่พูดการ น, นี้ไม่ใช่อะไรนี่ยที่ต้องการอยากเ อ, อ่อให้เราเอาไป็นมาธิการแค่ที่ดู ในครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของ อ, อางการ32ในกายกราตาก4สูต ก็ก็สรุปดีนะในการยกระดัสติสุสุดทที่แล้วเราการรยถึสรุปสรุปดีว่าในการคิจารณาเนี่ยในการพิจรารณาแี่ไม่ในเรื่องของว่าผมคนเียกฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเบี้ยในกระดูกมา้าเป็นต้นอะไรนี่นเนยเทสาผมหลายแสนเส้นลงมาผลก็เก้าหมื่นเก้าพันเส้นเลย หน้าขาเล็บที่สิบเล็ทันตาก็ปันสามสิบสองที่ตระโจกะหนังมังสังกัะเนื้อเก้าร้อยชิ้นหน้าหารูกกระเส้นเอ็9เก้าร้อยเส้นอัฐีกระดูกสามร้อยอนเย็นป 3, 2, 4, นะันสามสิบสองที่นะอัฐินางก็คือเยื่อในกระดูกว่ากลางกระไตสองข้างคาทยางก็เนื้อหัวใจยกกันอางก็คือปับสองชิ้น เิโลมากลางก็คือทังเืยที่หากลางก็กมา่งเมา่งของคนมีปัญญ า, ากับมั่คนที่ไม่มีปัญญาต่างกันไหมต่างตรงไหน่ะพอจำได้ม้างของคนมีปัญญาของคนที่ไม่มีปัญญาก็ติดกันเป็นแผ่นเดียวนะแต่ถ้าคนมีปัญญามันก็ออกเป็นสองแผน่นหรือสามแผน่นแตกดีเป็นยันที่นั่งๆ่งอยู่เนี่ยลองไปเช็ค ด, ดูมา่งดูมันทีมันเป็นมั่งมีปัญญาหรือมั่งไม่มีปัญญา ลองไปให้หมอไปเฉลยดูกันเดี๋ยวไป้เฉลยเลยนะเดี๋ยวกลับมาเที่ยแล้วก็ตัดขอสามก็คือปอดปอดที่มีสามสิบสองชิ้นนะปอดเที่ยลักษณะของเขาเป็นไงปอปอดี่ลักษณะเป็นไง เตอรัสตระแองปอดนี่งมันจะถูกเตช้าไอ้เตโชว์ไปท่าในเขาอยู่ตลอดเวลาเตโชว์ท่าี้ยฉะนั้นปอดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบไงเหมือนเหมือนเอาของร้อนไปเผาตัอยู่ตลอดเวลาอันตัางก็คือลำไส้ใหญ่ไส้ใหญ่มีกี่ควดยี่สิอ็ดขวดถ้าพักแล้วมีกี่อพักเนี่ยจะย า, ย า, ย, ายาวยาวยาวเท่าไหร่ ของผู้ชายเท่าหร่ของผู้ชายสามยี่สองสนะของผู้หญิง28่นี่ลดพอยี่สิบิบเดเนี่ยยี่สิ็จอดเนี่ยมึงจ้องเห็นเอาอะไรไม่บลีมเอางูแล้เอางูไปใส่ไวอันจากคุณนางลำไส้เล็กนะทันตามันหมของลำไส้ใหญ่อุทรยางก็อาหารใหม่ที่ยังไม่ย่อน อาหารใหม่ประมาณสองสามสี่ห้าคนี่ใท้เอาไปกินก่อนอ ย, อยากเล่นงานก่อนนี่ดะนั้นเมื่อวานนี้วันเมื่อวานนี้จ ะ, ะได้พูดเรื่องคําว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันห้าเป็นโลกโลกหนึ่งไหมเขรียกขันทั้งโลกคำว่าโลกานีเขาแปลว่าอะไรแปลว่าแตกแป้ว่าวิบัต โอกาสเี่ยนะแต่วิบัตได้บอกวมัก็แตกทำลายพราพูดนานๆเขาก็เริ่มฉีขายโลกนี่นฉะนั้นในโรคใบนี้คือการกชะจายวิหารขันนี้นะคือโลคโลกนี้ก็เต็มไปด้วยหมูสิงขาลาวสัตว์ต่างๆก็เหมือนกับโลกคุ้ยๆแบบนี้นะมีสัตว์นานๆชนิดเต็มไปในโลกใบนี้ไหฉะนั้นในโลกคือการกระายนี้ก็เต็มไปด้วยสั๊บมีชีวิตมากมาย งั้อยแลกใจนะถ้าเราจะตายแล้วจะเปเกิดเป็นเ ป, ป็นสติผลที่ในท้องไทยเป็นอวัยวะจ่ในท้องไทยเนี่ย mm hmm. รักลูกบ้างไม่อยอม mm hmm. รักมันไหมรักด้วยปัญหาเนี่ยฉะนั้นถ้บเกิดรักา ม, มากๆเนี่ยนะถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยถ้าเราเกิดในท้องลูกเนี่ยเราจะไปทัู้้ั้งหองเขารู้อย่างไก็ ไปทั้งโน้นหรือทั้งนอหรือไปทำงานถ้าลูกเป็นผู้ชายแล้วไปเกิดในท้ทองของลูกผู้ชายก็ต้องเป็นได้แค่ะระยะเท่านั้นเป็นจนุดเดืยดหรือเป็นเส่นได้หรือเป็นซี่เทียนตานหรือจะเป็นในใช่เรือนเดียรพราะเราล้างนี่ยขันขันที่เราร้าเราเราคิดถึงมากพราะตั้งหาทั้เกิดท้นงน้องพอใกล้ตาก้ก็ไ ป, ปติดปฏิบัติหนี้ในการอางนั้นก็จะปเป็นพระยาเพราะเป็นพระยาเนี่ ในท้องของหลูกเนี่ยเราจะไปช่วยหรือจะลูกนี้จะไปทารายและ่ิวต้องรินไหมกติว่าพูด ด, ด้เจ้านเลานครั้งจบด้ทั้งไปคิดว่าโอ้ยมันจะเชื่อมติดไหมเนี่ยคิดว่าเจ้าเป็นปรบระโพิส์เนี่ยก่อนในยี่สิบประสงขายอ่ะเล่าเปนที่เดียวเลยไปเชื่อมหนึ่งเลยมันไม่ได้นนเนี่ยเขาพูดถึงเรืองเนี่ย ที่บอกว่าตออ่ไอไปให้ซัดสมบัต้องเด็ดเสร็จหมดแล้วต่อมาก็ไปบวชเป็นฤๅษีเป็นทาสแล้วบวชเป็นฤๅษีเด็ดเสร็จก็บรรยากุ๊บสิบ ล, ล, ลูกขาห้าร้อยกว่าคนเป็นต้นก็เข้าไปบวชตามพอไปเป็นฤๅษีก็ออกไปหาทีมภนะูน้ำหมาล่ามันก็ไม่ได้ยินเลยวังนึ่งเขขึ้นไปบนาหน้าผาก็มองลงไปข้างล่างก็เห็นนางเสือพุ่มันตัวผอมโซมันคลอดลูกใหม่มนี่กําลังจะกินลูกมั ตงมาคิดโอ้โหเนี่ยน้ากรุณามากแม่แม่จะต้องมาคิดลูกเอยใชงไหมก็อบอกลูกสิษยขางตอนยบอกให้หาเสร็จเแล้อก็มาให้อาหารพอลูกศิดย์ไปเสร็จท่านชิดก่อนแล้วบอกว่าบอกว่าได้โอกาสที่เราจะทำํำบุญแล้วเพื่อัมมาทัมงพธิญาณเราจัดตลาดร่ า, รางกายเนี่ยให้เป็นอาหารเพื่อช่วยเหลือลูกหลือ์ตัวเนี้ย แล้วก็ช่วยแม่ตอนนี้แม่เสียนีก่กําลังหิ้วโซเนี่ยเพื่อรำมาลัมโมดีายานพอท่านคิดแบบนี้เลยเสร็จปบบอกว่าไม่ได้แล้วท่านต้องมีบตัดหัวใจเพราะความคิดการเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นความคิดที่มีโทษมากคือศรัทธาที่คิดว่าจะเป็นพระเจ้านี้ชดมากหรือโดนย้อนทนมากเพราะความคิดนี้มันเปลี่ยนเร็วไม่รสมานเปลี่ยนเร็วก็ไม่เปลี่ยนเร็วแล้วอย่างรำมานเคยคิดจะไปทำบุญแม่ บอกถ้าเอาไว้ก่อนแล้วเพคนให้ทํามาเรื่อะไหมมีโทษมากตอนคิดแบบเนี้ยฉะนั้นจะคิดแล้วทําเลยอามามเคยพาดจะรายฟังนะไอความคิดว่าตั้งใจว่าจะไปจะไปอินเดียตั้งใจเด็ดเด็จแล้วโู้จะไปโยคนหนึ่งว่าเอ้ยเดี๋ยวรอนโอีคนอารามก็รออยู่ รอไปเรอมาเลยได้ประมาณห้าหกเดือเนี่ยป่วยเลยแต่เนี้ยไม่ได้ตายแต่เนี้ยยุ่งเลยขาดตาเรืร้อนแก้วไปตั้งแต่นั้นไม่ได้ตายมาเป็นปีสองปีสามปีนี่เนไหมโทษมากถ้าเราไปเนี่ยก็หูเลยได้บุญไปแล้วไม่ได้แตความคิดจะทําอะไรที่มันเป็นกุศลเนี่ยอย่างเงี้ยพ้ะบุตรท่านฉลาดไม่ได้หายความคิดปรารถนาสามาสามพวิญญาณต้องรีดทางต้องมีโทษมากมันแย่พ่วนอยเร็ว า ห, ห้ตักพิจายณาเด็จเด็ดไขควรพิจารณาให้เป็นปัญญาให้เป็นจีติให้เป็นปัุบัิให้เป็นวังหลวงนะให้เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นปัญญาเข้าไปพิจารณาเาด็ดเด็ดท่านโสดาตองแตัหน้าเสือเส้อบาราที่พูดมาจริงนี่นิสระยังเพิ่งตอกสนามใหม่ใจท่านยังยิ่งใหญ่นนตอนนั้นอะไรอย่านี้ฉะนั้นถากุศลและจิตเปนเกิดขึ้นเดีย่ย อ, อย่าไปรอช้าดี๋ยวิบากหมด ถ้าปาารถนาะจะศึกษามาทปาปรารถนาะที่จะให้ควรสารยายพร้สอนฟังทำ ฟ, ฟังเลยเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเดี๋ยวถูบ้านนอนเสร็จแล้วเข้าจะเขา้เขาเมื่อยนอนหลับไว้พรุ่งนี้สายใหญ่เลยแปนเนี้วันต่อมาไม่เลยครับ ม, มีโทษมากมันเปลี่ยนแปลงมันดับเร็วจริงไหมทัควาที่เป็นบุญเต้นทำเ อ, อจะไปต้องานเดี๋ยวเม่ยียตานี่อาชีพน้แหะ ไม่ได้เป็นมาตาอะไรที่ได้ฟังไม่ต้งบอกก็งั่ะไม่ได้หรอกเขาขวางกูเราเนี่ยใช่ไหยนี้ธรรมะถ้าเขาขวางกูอย่าธรรมะไม่ได้หรอกแงครขวางไม้อะอีกจะต้องทำไม่ใช่แค่าไม่ได้ว่าผีชอบราเหล็อกกรว่างเราเป็ู้ล็กเองใช่ไหมยะะรอได้ยังไงอะคอยไปทร้อมกันที่ บอกว่าตาไม่ได้บุญเราก็เกิดคุณจะไม่ไปเรื่องบุญแล้วคุณจะไม่ไเจริญบสมเราจะไม่เจริญบุญเราแค่นั้นแหละใช่ไหมใช่มันมากันไม่รู้คนละที่มันต้องมาเกี่ยวพันอะไรขนาดนั้นไม่มมต้องมีข้อบกพร่องจะไปวัดจะรอก่อนร อ, อ, อก่อนแปลกเลยใช่ไหมใชม่อันนี้พูดจะพูดตามมาั่นในไห ไปต า, ตามสอนเพราะคนเราเนี่ยเกี่ยวข้องกันม า, ม า, ยามมเยอะแยหมใช่มชถ้าไปเห็นพวกเดี๋ยวใจอ่อนหมดเลยใจอ่อนเแต่อะไกูสมไม่เดิคิดถูกยังไ้ไหมถ้าบุญเกิดต้องรีบทำไหมเพราะอะไรความคิดที่มันเป็นบุญนั้นนะมีโทษมากแปลบุญได้เร็วมากอย่างละไหมแต่ถ้าความคิดที่เป็นบาสนี่ทำรู้วไม่รัต้องสลัดนี้เลยดีสลัดนี้เลยดีความคที่เป็นบาสนี่ ต้องสลัดนี้ใหม่าลับไม่ได้ออกนะตอน ท, ที่จะเป็นบอกเนี่ยเพราะมันเคยชินใช่ไหมส 2, 3, หลัดครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ยต้องดีกาลังเนี่ยเขาบร่ษัททํานทำแบบนี้ยค่นั้นก่านึงกล้ากลาสนามไปดูพระเจ้าจะที่นั่งนั่งอยู่นี่ให้กล้าวเอาระดับไหนดีสัมมาสองพุทธาปัิเจ้าพุทธาอัคคราสาวกพุทธาอดีตอิมมาสาวก คือจะโขโเนีญญ่ยเขาไม่ตาบคำนาเลยนะี่ยท่านห้ามเนะี่ยท่านห้ามเลยนะท่านบอกวุแยกแล้วไม่กล้าเลยเนะี่ยใ่ไใช่ทห ค, คิดใหม่นะคนจะได้รับารพั น, เนาเขาต้องรอท่านานะต้องตั้งอธิยาศไว้ อันตังในใต้ใหญ่อันตะคุณยางุจริยังอาหารใหม่จริยสังอาหารเก่ามาถรุงคังและคือเยื่อชจกลมหม อ, มองต่อไปจะยาปคดท่าปิดตังน้ำดีดีสองชนิดนะั้นในถุงละนอกถุงเสมหางรเสดปลุกโพกน้ำเหลืองลอยตังมี้ำเลือดเสโทเหมื อ, งง ม, อ, ม, อมีโทก็ให้มัน สูตรที้น้ำตาวะสามังเหลือฮโลก็น้ำลายสินใาในการน้ำมุกและจิตใจไข่ก็มุดตังก็คือน้ำมูกมั่นเองนีสามสิบสองแล้วก็สิ่งที่จําเป็นอีกอย่างก็คืออุคหาโกสัล่างเนีย่ยที่ได้กล่าวเข้าไปเมื่อทางที่แล้วบุคคลที่จะเจริญกรรมฐานเข้าไปหาอาจารย์แล้วก็บอกกรรมฐานควรเป็นผู้ฉลาดในใจรเรียนกรรมฐานเจ็ดวิธีนะถ้าได้อุคหาโกสันล่าง ว่าจะสาหรือหาโพสันังก็คือฉลาดในการเรียนด้วยวาจาหือการการท่องน่ะท่องเนี่ยนะนมาสอนยายทั้งอรูลมปติลมที่จำขึ้นใจเรื่องตั้งแต่หมวดสัจจปัญจกะไปตามลําดับนั้นที่บอกเจสาโรมาณขาธันตากะโจแล้วก็ตะโจธันตานสาโรมาเจสาว่าไปตามลาดับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า วาจาสากาโคสันลังคือช้องเป็นช่องนังสามีสองเด้วยวาจาเขาบอกว่าทั้งหกหมวดเนี่ยหมวดละสิบห้าวันนะ่ทั้งหมดอีู่หกหมวดใช่ไหมวาจาบรรยกาหมวดหนึ่งที่มีหนังเป็นที่สุดวากาปัญรยากาศก็คือมีอะไรเป็นที่สุดมีวากังเป็นที่สุดตภาษาบรรากาศก็คือมีปอดวากาง เป็น ท, ที่ปร is ะพาศเป็นท like so. ี่สุดเนี่ยโอเคเป็นที่เป็นที่ห้ามัทหลงคาปัญจกก็คือมัทหลงคมัทหลงคาจะเป็นเป็นที่ห้าเนื้อฉถากะนี่ก็คือมีเอเมโฮเนี่ยเอเทเมโเนี่ยเป็นที่หกแล้วต่อมุดตะากะก็คือน้ำมูดน้ำมูดเป็นน้ำปัแต่วาเป็นที่หกนียในหกหมวดเนี่ยให้คอหมวดละสิบสิบห้าวัน แบ่งว่าอนุโลมห้าวันปฏิโลมห้าวันทั้งอนุโลมปฏิโลมอีกห้าวันท่ อ, อนี้นะอันนี้จะเป็นับท่องท่องดีวาจาแล้วท่ อ, ง, องนี้พอพอไปไหว น, นี้เช่นผมขอยเล็บปันหนังผมขอยเล็บปันหนังผมขอยเล็บปันหนันงด้วยอัลโลมใช่กี่วันห้าวันแล้วก็ปฏิโลมก็ย้อนขึ้นมา ย้อนขึ้นมาว่าอะไ่างเนี้ยานงตอนเล็กขอเลือกนมาผมอีกห้าวันแล้วถ้าอนุโลมปฏิรลมอีกห้าวันอนุโลมปฏิรลมทายังไงช่องยังไงก็ก็ไล่ไปตามลาดับอย่นงทั้งอนุโลมปฏิรลม อ, อ, อ, อีกห้าวัน ลักษณะอย่างนี้ก็จะิดห้าวันทถ้าบวดก็ไล่ไปแบบเนี้ยประการต่อมาก็คือฉลาดในการเรียนกนาารรมฐา้วยใจอันนี้เอามากําหนดเขาบอกว่าถ้าท่องเป็นห่องอย่างนี้แล้วเอามากําหนดอีกห้าวันเจออีกเอามากําหนดเอามาสายตาใจใจ น, น้การสารยตาใจใจไม่เป็นปัจจัยการแทงตลอดลักษณะสามสิสองนะคือการแทนตลอดลักษณะมันเป็นปัจจัยการแทงตลอดนอดกผลในต้นด้วย คือถ้าหาว่าไม่ค้องมันเอามาสึกไม่ได้ถึงไม้คำฉาญเองก็งให้ค่องปากก่อนเพราะค่องตากไปเสรต่อมาก็ตืในใ่นเตือ ใ, ใจก็ตื่นดตวยใจเสรเส็จนี่จะทำจะเป็นปัจจัยการแทงตลอดเป็นต้นเนี่ยนะมันจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดถ้าก็เป็นปัจจัยการบรรลุมรรผลในตอนดัน้นนี่เป็นอย่างนี้คนระับ นี่ก็เรียกว่าอุกกาบาตอะไรประการที่สามก็คือวันโตกําหนดสีคือแยกสีให้ถูกเช่นว่าผมนี่สีอะไรถ้าใครผมสีดําก็ให้ใส่ใจว่าสีดํานะถ้าสีขาวก็ใส่ใจว่าสีขาวอย่าไปบอกว่าผมต้องดำดำนี่แหละว่าขาวต้อยอมรับควอมจิงว่าเป็นสีขาวที่แยกสีให้ถูก พิสโต้ก็สันฐานนัตต้ก็คือกําหนดโซนล่างสันฐานโูกทรงเนี่ยเช่นผมเนี่ยลูกทรงมนก็เข็นไงยาวนี่ฮะพิสโต้ก็กำหนดทยึดอยู่ในส่วนของร่างกายส่วนบนส่วนล่างโฟกรสโต้ก็คือโดยที่จ้างไปเฉนนัตโต้ก็คือโดยขอบเฉดเ้าเนี่นนนยอันนี้กาหนดรักงานเนี่ยท <c ười> possible, ีนี้ในเรื่องของการกําหนดนี่นะ ในการําหนดเนี่ยถ้าการปรากฏแห่งโกหกษหาส่าการมนุษย์กิจการเนี่ยถ้าหาว่ามนุษย์กิจการผมสีดําไปมนุษย์กิจการว่าดำเนี่ยสีดำแล้วถ้ า, าว่าสีขาวก็วมนุษยกิจการขาวเมื่อได้เห็นผมมีสีปนกันเหมือนจะตอบรากับมนุษย์กิจการผมที่ เป็นในลักษณะนี้เป็นดอกเราอนี้นะถึงจะมีเนี่ยกําหนดจะโกหกษาศาสตรโดยสีโดยสันผานโดยทิ่โดยโอกาสโดยปริเขีตแล้วก็กําหนดจะวามเป็นปฏิกูลห้าอย่างเลยไงทีนี้เป็นปฏิกูลไหมสันผานเป็นปฏิกูลไหมเนี่ยกลิ่นเป็นปฏิกูลที่อยู่เป็นเดียวกูโอกาสเป็นเดีกูในโกหกษาศาสที่เหลือก็ให้กําหนดในลักษณะอย่างเนี้ยกําหนดโดยสีโดยสันผานโดยกลิ่นโดย ที่อยู่เป็นกลุ่นเนโะดยที่อยู่โดยโอกาสเรื่องโอทาสาเนี่นะทีนี้พอไปกําหนดนอะบางการปรากฏของโอทาสาเนี่ยมันจะาตามกฎแบบนี้นะใพโยกชาวจรบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นสามารถเป็นประจัยการมรรลุมาผลในะตามอัธยาศัยตามจริตทังตงนเลยนะมองท่านปรากฏ้วยสิ่งนี้นะที่เราศึกษาต่อไปเนะี่ยเวลา ผมควรเรียกฟันหนะัเนื้ยเ็นกระดูกที่อะไรกรดูกเนี่ยบางท่งนนานก็กำหนดเป็นความเป็นกระดูกบางท่านก็กาหนดเอ่อปรากฏเปนความเป็นธาตุเนี่ยเราจะเรียนธาตต่อไปไงบางท่านก็ปรากฏเป็นอุคะหัสันธิทีนี้เมื่อทำการภาวนากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นแลวเนี่ย น, นะสมมติว่าไปกาหนดสีของเนี่ยนะ กำหนดกำหนดไปกล่องเป็นสีเขียวจักสีดเนี่ยนะพอกาหนดกาหนดไปสีมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็เลยไปเที่ยงสีเขียวอนี้เป็นกำหนดเป็นสีแล้วนะถ้าเป็นสีเนี่ยมัจะเป็นตรมาดานะ่ยเป็นกระสิอะไรรูไหมวันนั้นกระสีเนาะพอวันนั้นกรสีนเนี่ยไม่ใช่กาหนดเป็นความเป็นปริภูนแล้วมันตา่อยใจแล้วอย่างเงี้ยถ้าอประเทศมีปัญยามากมันจะได้เป็นประชายิปไตยธรราเนะ ผสมมาชานี่เหลือชาติเดชานี่เดินชาเดิชาสีเลยถ้าหาปัญญาที่ประเทศไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ปัญจมณัยก็ได้ปัญามณ์ชาเลยเห็นไหมว่าสีเนี่ยยมสมานถ้ากำหนดสีต้องผมเล่นเรื่องนี้นะถ้ากำหนดเป็นความเป็นสีเนี่ยพอไปกาหนดไปกำหนดไปนั่นน่ะยังกสมมาชานิดห่วนก็ได้ชาติหนึ่งก็ได้ชาติสองก็ได้ชาติสามชาติสี่ชาติห้าปได้ชาแล้วสะดวกแล้วอาชาเป็นบังงการเจริญสมว่ายังไง ถ้าใจผสมม่านออกจากผสมแม่านเอาทางเป็นต้นมาให้พวนมาพิจารณาดูความเช่นอธิการรูปการนาแยกรูปแยกนามพิจารณาประจัยรงานรูปละความไม่เช่ยงในทุกกรตาในสุดทดเมือไนราชัญชราค้าเป็นประจัยมมัดเอาลัธโสดาปมัดเกดขึ้นมัดนั้นเรียกว่าไงโดามักิ พระเยซูหายมหาศารสมชาเนี่ยใช่มมักเกิบขึ้นในวัดไม่เรียกว่าไยเี่ยนี่ักกะวิาุขเองะจเไปฐมชาตหน้าโตดาวก็มาต่างเดียดเลยเนี่ยเพราะมาศาลพรมชาจะได้พระสาโดามา ถ้ามาสายพุทธีทยฌา์ก็ได้พุทธีทยฌา์โสดาบัิมากพลาอะไรมักที่รวยขึ้นของบุคคลได้พุทธิทยฌ า, า์บาโรคพุทธิยฌานัากโยมเท่าไรมักมีเท่าไรมักได้เจ็บเห็นไหมเ้ยแปลว่ามกมีเจ็บแล้วเห็นไหมเนี่ยนีเป็นต้นนะ อย่าไปยืนยันมาบ้างจะต้องแปดนะ น, นี่เข้ามาสายอะไรต้องดูไปด้วยนะอันนี้ก็พูดให้กับคนที่เขาสึกษาประธามาเพืใ่ใคคนเห็นไหมนี่เรา่เจารณาปฏิกูลมนต์สกังกบอกแต่ไกลได้ไหมถ้ากําหนดสีเป็นสีนเห น, หนิงถ้ากําหนดไฟฟ้าเป็นปฏิกูล อันนี้เป็นตัดใจแยกแระผสมผอาจานกันนั่นเนองเพราะภาษาอัสุภาึ่ตงตรงกับภาษ า, าที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าไปกำหนดด้วยความเป็นภาพจะทำอไรเป็นภาพเนี่ยคืออย่างนี้ก่อนนะถ้าไปกําหนดด้วยความเป็นสีเนี่ยนะอย่างเช่นว่าปีติก่ากับสิงจ์กัสิงค์ีนหรือเปล่เนี่ย ถ้ามนัตจิการสีมันข้นเช่นว่าตาเนี่ยนะตาเนี่ยห ร, ร, รตาเนี่ยนะหรือว่าสีตาเหลืองๆน่ะเราไปกำหนดว่า เ, าเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยสามารถได้จะเป็นชาหรือเป็นยมนามชาแนนเพราะเราไปกำหนดไอ้มันข้นสีเหลืองเนยมันเนี่ยนะ เราไปกำหนดตัวงันคนเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยๆใช่ควรไปเรื่อยขึ้นไอเวลาเขาเจริญอีสามอกางสองสองล้งเนี่ยยอเคยเห็นซ่อยทั้งวาเนี่ยยดอกไม้ก็ร้อยเป็นพวงสมมติมีดอกไม้สามทีสองชื่นเลยนะเป็นพวงรั่วช่อดีเน็ตมีเทอีสามสองเม็ดเลยเวลอกรรมทุกขึ้นทั้งหมดเลยมองนีไหม เพราะเวาคนเชื่อก็จะเรียนเชี่ยารรมานะคะทางการปุ๊บไมเห็นชัดหนี่นั่นแหละทางกากดชัดนี่นันแหละทีนี้พอางกดชัดนี่นั้นจะเลือกอะไรตามลำดับด้วยอันไหมันชัดมากอันไมนชัดกันเฉียวออกยาวไม่ใช่ยาก็เหมือนที่เราไปดูเพชรดูอะไรต่างเนี่ยสามสองเมตรนี่นะอันไหนมันไม่หลุดการเสียดที่งหนนะไม่หลุดการเฉียดมันจะเหลือยาวอนนี้มันย นันบงคนก็ผมบางคนชาติคนคนก็ขนบงคนก็เล็บฟันหนังเนื้อเอนจะดูกแต่มัขึ้นมาหมดแล้วในใจนะ่ะม่นขึ้นใจยังไงสาก็ยัยหมดแล้วตั้งสิบห้าวันใชไม่ใช่มัชักหมดแล้วมันมือกำลังสี่เดือนนะ่ะไหวเลยลองไปทางนันจริงๆเลยน่นะสี่เดือนนะเนี่ยเขียนชักหมดเลยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเยืเ่อตั้งโดยสีโดยสถานโดย โันษณโดยที่เกิดโดยโดยโดยโดยปฏิเสโดยโดยที่สโตโดยสนฐานโตัเหมือนพอชัดเยสร็จแล้วจะเียว่ามันชัดไม่เท่ากันไงผ้ายามใสมันมัมันไม่เหมือนกันี่ท่านกให้ละมันจะตามลำดับละนะลัก็เหืออันนั้นแหละบางทีมันสีชัดเราไปกาหนดสี ถ้ากำหนดสีเหลืองเช่นจะเป็นสีแดงเนี่ยเช่นบางคนเลยโรแิตนนะรฮิตตัะสีแดงสีแดงสีแดงอ่ะถ้ากำหนดโดยสีละด้นั้นจะสุดสัจจานุตังยมวชานแค่สีขาวก็เกิดอะไรเดียวก็เกิสีขาวสีขาวเนี่ยโอทาตังโอทาตังใช่ตังก็ได้กระดูกก็ได้กระดูกก็ได้ก็เป็นปัจจัย แต่จะตกกระชามเป็นต้นอันนั้นเขาเรียกว่ากำหนดโดยโดยสีฉันสามารถแยกสีได้สีของผมคนเล็บปันหนังเ น, นี่นยยจะถูกเป็นต้นได้แตงนั้นทุกอาการสามสิบสองเนี่ยนะสามารถจะเป็นปันจจัยแฝงกระสีนเป็นต้นได้ระการ ต, ต่อไปก็คือกำหนดโดยความเป็นปฏิกูลที่เรากำลังเรียนอยู่เนระื่องนี้หน้าที่สามที่หกงไปดูได้นะ อานา6เรีย็มนมนาถึงนาสามหกคือบอกไปเลยอาการที่รกักกอดต้องกอดาสะานึกว่านึกว่านึกว่าเคยอ่านกันมาแล้วก็เลยไม่ได้บอกนะอยยยยั่ น, น, านาหา ย, ย, ย, า ย, ยาไปโยมเมื่อพระโยธาบรรจรกำหนดกอดช้าสามีผมในต้นโดยดีโดยสังขารโดยที่โดยกาไม่โดย ตัดตอนอย่างนี้แล้วมนักสิการก็ปฏิกูปปฏิกูลโดยการท่าโดยสีโดยสงนวางโดยกลิ่นโดยที่ยวสายโดยโอกาสตามลายแห่งมันนักสิการโกสวรรคีโดยลำดับโดยไม่ได้อยู่นักเป็นต้นในที่สุดการเข้าร่วมบัรจับกับพิจารณาดูการนี้ว่าอภิมาตมิใรเยจีตาโรมาเนร่าต่างต้นผมนั้นทั้งหมดก็จะกากกว่าภาวะให้ก่อนให้หลังกัน ุปมาเหมือนบรูดตาดีมองดูดอกพวงดอกไม้สามสิบสองสีที่เขาร้อยไว้ด้วยได้เช่นเดียวกันดอกไม้ททบดวงทุกดอกก็จะปรากฏ ร, ราวกับว่าไม่ก่อนไม่หลังกันฉนะนั้นเพราะเห็นนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวในตอนในตอนว่าเป็นมนุษยการกฏสอมว่าเมื่อโยภาวจรผู้อาธิกรมกาากรมิกะเขาใจ้คำว่าอธิมิกาไแปลว่าอะไผู้เลิศ ผู้ใหม่อ่ะ น, นะผู้พะโยคขาวาจอนแล้วผู้ปฏิบัติเลยนะผู้เรยังใหม่อยู่เนี่ยมาหน้สิการโดยอนุโลมอนุโลมก็คือว่าเป็นไปตารมระดับของคนเล่นปั้นหนังเนี่ยเรื่องวัดเลาเป็นต้นมาหสิการก็ดาเนินไปจนจบบทภาสาอิตาลีมุด ต, ตังเงินทีเดียวอย่งนี้ก็คือร่เจตการาการะดับสิบหกาสามสาิสองอ่ะ ผมขอเลือกฟันหนัเงเนื้อเป็นกระดูกเยื่อในกระดูกไร้กระดิะ่ง น, น้ำปัสสาวะเนี่ยนะก็ทว่าให้ตัวคาร์บนนั้นจะนําปฏิกูลมาดำเนินการออกไปนอกตัวบ้านไซนี่เมื่อกดใช้กระทั้งพวงปรากฏชัดแล้วนั่นแล้วเมื่อนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์และก็จะรือสานเป็นต้นที่เดินไปมาอยู่ก็จะละอาการของสัดว์ลกดจัดเทือกโดยฟามเป็นกฏฐาจน ไ, ไปหมด อาหารมีน <unlucky. S 2> ้ำและข้าวเป็นต้นที่แับนั้นคือกินลงไปก็จะปรากดสุดของที่เขาใส่ลงไปในกรธดาตัดฉะนั้นโอ้ตรงนี้สมมตินะนะถ้าเราทำพิจารณาจนคบทีเดียวนีที่ก็ว่ารือว่ามนุษยการติดทักเต็นขนาดนั้นอคิดดูว่าลองลอคิดดูีิว่าเราพิจารณาของตัวเองเร็จใช่ไหผมผเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเที่ยในกระดูก้าเข้าใจตสกป่อเป็นต้นใใสน้องนะฮะมายนี้ต้องดูด้วยรนี้ พอไล่ไปตามดอกจึงทัดอยากมาเห็นกมดอกไม้เห็นดอกไม้สามหรืสองดอกที่ลอยลอยใหญยได้เส้นเดียวกันนี่ขาดูของตนเองตอมเป็นมองดูสัตว์ประจานมองดูมนุษย์เห็นหมดหมนเลยเห็นหมดเลยเนี่ไม่ต่างกันเลยว่าจากที่เดินไปอยู่กาจะอาการของสัตว์หากอดในสัตว์ไม่ได้เราเห็นแต่ผมโผล่เล่นปันหนังเห็นแต่อาการสามหรืสองยึดยยากจนหมดเลยอะฉะนั้น เวลาที่ จ, จัดเหล่านั้นมีอาหารในน้ำแล้วเข้าไปต้นเนี่ยเขาบอกว่าอเอาเทวจุลถ่านเหล่านั้นกีนอาหาลงไปนี่ก็กระตุกว่าเอาของเหล่านั้นเนะ่ยเทใส่ลงไปในปวดทะักะัเทลงไปในผงฝนเลปันหนังเนี่ยเอ็นกะดูเทียกในกระดูกเนีใช่ไหมครับคือมันกล้ากดในใจจนตุกหมดแลวนี่มันไม่เคยต้องมียอมคนเลยนะทนี่ชอบออแกแกชอบ ช่ชอบเนี่ยบริการแบบนี้ต่อปางทำทุกแต่ทุกสาวทุกสาวเนี่ยพอไปไปมาก็ให้เงินซื้อเลยไปท่องแบบนี้ไปสาขาใหญ่เนี่ยจะบอกพอไปสาขาใหญ่มองเห็นหมดแล้วจะบอกเห็นหมดเลยว่าเขาไปท่องอย่างนี้ท่านว่าบอกโอ้โหดูเหมือนจ่างหากจะไม่เกิดเลยว่ามันต้องไปทาใครต้องยือยัน เ, เร า, าว้างหน่อยแนละ ย, ยอมทดลองตรงนะั้นเปลี่ยนา ม, า น, ย า, มาน้วทีน า, า น, นามาตรานปปฏิกูลนะใช่ี่ปฏิกูลนะในการบอกธามาก็ขอได้ก่อนเถิเจะไกลัวอะไรแล้วสมาธิที่ต้องการสมาธิขอเป็นสมาธินะขอให้เป็ขเนขอให้เป็นกุศลเถอะ แน่นะจ๊ะขอให้เกิดสมาธิเกิดสังคัรที่ไม่เกิดสมาธิเรื่อนฟุ้งไม่อยู่เนี่ยสมาธิไม่ใช่เรืออ่อ like งเสียหายหรอกต้องต้องคุยกันยาวได้วอย่างงี้ยคุย so กันยังไงรู้ไหมบอกว่าเราจะแย่นะ mm hmm. yes. เราจะเอาสมาธิออกนะแล้วให้มีศีลกัปัญญาได้ไหมได้ไม่ได้จะเข้าจะกินได้ไหมสมาวาจารสมาธรรมจารสมาชีวะเป็นไรไม่ศีลนะสมาวายามาสมาสติสมาสมาธิเป็นไรสมาธิขี่สมาธรรมการเป็นไรธรมจารย์ศิษย้าวธรรมจารอะไร ถี่มาีิปัญญาก็คือถินสมปตาวิสัตสนาแยกกันได้ที่ไหนร้อแยกันได้ที่นมันเป็นข้อปฏิบัติไม่มีข้อห้ามในกำลังทุกชั้นไม่มีเลยทั้งในพระสติจตุอาจกะถาดีกาไม่ดีเลี่ยงเนี้ยเ่ยงเนี้ยเลี่ย ง, งที่ เป็นเรื่องที่เลยอาจารย์อาจา ร, าจา ร, รย์ัำวงที่ยู่สมัยก่อนนี้ก็ไปเข้ากรบมฐ า, า น, นา อ, อ, อ่ารเี้ยปักก็ก็เจอคำถามมาอย่างนี้แล้วเข้าแต่ถ้าเอาเอาเอายีกว่าเอาหลักฐานทั้งหมดที่มันมีในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยเอาบางคนที่หมดเลยแล้วก็มาดูอ๋อเขอยนเนปัญหาคือว่า ้องหาอยู่ตรงไหนไว้ในทางเงจริญกรรมฐานเนี่ยนะถามว่าสมาธิเนี่ยจะเป็นสมาธิราดั บ, บไหนก็สามารถเป็นปัจจัย เ, ยเห็นวิจารณนาได้หมดเลจะเป็นอปินาสมาธิก็ได้เป็นอุปจารสมาธิก็ได้เป็นคณิจาสมาธิก็ได้จะต้องหาว่าเราจะเจริญแบบไหนในชะ่ไหจะเจริญแบบไหน ทีนี้ถเราไม่จทำกับข้นี้จารสมาี่ของความใจของเราเนี่ยกับคันารสมาธิของบุคคลที่ก hmm. ็เจริญกุศเจริญร e 네ูปอูปปฏิบัติกันมันก็ต่างกันคนธารสมาธิของคนที่เขาเจริญสมถะสมถะเจริญที่ปฏิบัติบำบดเจริญสติปัฏฐานมันจะแบบนี้นะขันธ์จารสีาของเขาสามารถการเคลียได้เป็นวันวันสองวันเอาเลย ถ้าทำจากสมา่พวขาเขาเนี่ยแตว่าวันๆเ น, น, นี่ยกีเลศเขาไม่เกิดเลอทาไมเขาเป็นนะล่ะเพราะผู้นสนเขาเกิดต่อท่านมาใช่ไหมีเกิดยาวไงผู้สอนเขาเกิดจะยาวตรงนี้ตรงนี้อย่าไปกังวลว่าถ้าสมาธิมันเกิดแล้วมันจะเสียหายแต่ถ้อมันจะเสียหายสีาหายแบบนี้เช่นคนที่ไม่รู้ ไม่รู้สติปรญฐาเช่นพวกยูสีเน um, okay. ี่ยที่ไปทฌานมาบัตแล้วเาจดิงอยู่แมพวกแม่นก็เสียหาอย่างนี้แล้วเปนบบนี้มีไหมครใช่ไหมใช่เอาย่าพวกอาราธาบทอุทิกาดาบทฤกษุมยูสีทั้งหลายถาไปที่อิเดียเปนืองีเียหญิงก็ในฌานในสมาบัติจะมีคุณผู้หญิเสียหายเสียหายเพราะเขาไม่รูต แต่ถ้าคนรู้สติปัญญาแล้วเนีไมให้ได้เดยฌานไงานไหนก็ได้ให้เอาร็ว l e l e ไห้ได้ youlele ได้ยี่นาจีดี่ใหญ่แล้วฌานนั้นแหละจะเพื่อบุญต่อสริปัญญาจะเพื่อบุญต่อวิปัสสนาเงียคนที่เู้เขาไม่เข้าใจสติปัญญารือไม่เข้าใจคาสอนรูุ้ทธเจ้าเนี่ยพอได้ฌานแล้วเขาติดไงจะติดอยู่ในฌานนั่นแลยไม่ได้สติสิทธิ์ก็ ถามว่าเขาเสียหายในตายแล้วเกิดเป็นทองถ้าเราตายแล้วลงนรกไงขอบเอางี้นะเดียวแล้ก็จองรู้ว่าสติปัฏฐานย่งงอาาปัญญอานาปานสตินี่เป็นสติปัฏฐานไห มีด้ถจะตก่นชาหเอาสิแตรจะว่างเป็นตรรมานด้วยเห็นไหป็นปรันาด้วยอียาวดบากก็ไปชนย่าบกายปฏิปณให้จักรบอเนี่ยันจะตจอด้ยาเลยนี่านที่ชาติพี่เ่ยจำยาม้านได้อีกเยอะคุยปรนาต้องปรนาติตางปรันายันชางจะมาบัดอีกเยอะแยะหมดก็คือให้เพื่อคูนต่อ ต่อคำสอนของพระเจ้าไม่เลยถ้าอันไหนที่ฟังแล้วคือบางทีบางท่านที่ท่นนนานเน้นขนาดจะเน้นแบบนี้เนาะเช่นขาดจะเน้นแค่ตรงนี้นะสิ่งนี้เราก็ต้องเข้าใจต้องรู้เปิของงท่านถ้าหมอาจจะเน้นเช่นนี้อ้อต้องการจะให้อย่างนี้เลยอย่าไปเกี่ยวข้องเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าอย่าอืนนึกคิดอย่งนี้ไม่ได้นม่ได้ถ้าท่านบอกว่าอึนเนี่ยสำนักนี้เอาอย่างนี้ต้องการจะให้กลัวจะไปติสมาธิอะไรมาว่ากันไป นะตัวจะไปจิตสมาที่นะแต่อย่าไปบอกว่าสมาธิมันเสียนะเพราะฉะนั้นคุณเสียหายยิงคุณไปปิเสธกรรมจนเอ ง, อองต้องบอกเขาบอกว่าเรามั่นใจว่าเราไม่จริดหรอกเพราะเรารู้ว่าวัาตถุประสงค์ของการเจริญของเรานี่คืออะไรถ้าเราไม่มีตุกหรือไม่มีตัวสมาธิช่วยเชื่อฟูนี่คือเราจะปฏิบัติไม่ได้จะมีบอกิไม่ได้เพราะว่า แค่บิทุกก็ถอยหนีแล้วมม่อม่ อ, อาแล้วเพว่าัญญาาเป็นฐานรองรับก็มาเยอะแล้วอจะต่อท่นหน่อยนะ จ, ะ จ, ะ จ, ะจะได้เบรกตรงนี้ลกนั้นเมื่อเธอมานาจการยังเมียว่าปฏิปปฏิมในการโพสตล่าวิธีต่อไปก็มีการปล่อยในทางลำดับอนาก็จะเกิดขึ้นในลำดับ ที่นี่ในการเกิดขึ้นเขงบอกปัญาวัิพนิพทธุทราบว่าความปรากฏของโขดจั้ทรมีผมเป็นต้นด้วยอำนาจสีสันสารที่โอกาสในการตัดตอนเป็นอุปาณิยใช่ไหมถ้ามาสารนี้แปลว่ า, าธรรมฐาติรรามฐ า, านําว่าอุปาณิยนี่ยก็แปลว่าอุปนิยมันติดตาเพราะไปกำหนด้วยสีของผมเนี่ยโดยสันสารของผมโดยชิดตัวในิเพื่อบนโดยโอกาส ก็กำหนดด้วยความว่าข้างหน้าผากลงไหนใช่ไหมไอ้ข้างหูจอหูเนี่ยข้างหลังตรงพอเนี่ก็เนี่ยใช่ไหมโดยโดยโดยกาสเนี่ยโดยสัจตอนก็คือว่าผมปรับลงไปนี่นะที่ตัดยังไงขึ้นเป็นลงทียางบวกข้างบนอย่างไรเนี่ยถ้าไปกาหนดเห็นชัดเลยบางคนก็เห็นชัดโดยสีบางคนก็เห็นชัดโดยสัฐานบางคนก็เห็นชัดโดยคิดโดยโอกาสแต่ในทีนี้ถ้ากําหนดด้วความเห็นเป็นปฏิปุณหมดเลย สีก็เปรีกูนแสงสางก็เปรีคูนยทธิ์ก็เปริกู ล, กก ล, กกลโอกาสก็เปรีกูนโดยติโดวยาาดวิสพาและโดยวิเสตาเนี่นะก็ก็เปรีกูนอัง น, นี้แปลว่าอะไรกระปบดอะไรนะอุกข า, า, น า, านินิตเขาบอกอุมาี้ไม่แปลว่าอะไรลืมตาเห็นไหมหลับตาเห็นไหมหลับตาลืมตาเห็น เ, นเห็นเปริกูล เ, ลเห็นเห็นผมเห็นขนเห็นและเห็ฟันเป็นต้อนอะไรนี่ปรีคู ล, ะ ล, ลนะนะ ไม่ใเห็นของตัวเองเท่านั้นนะต้อ ง, องเห็นของขออื่นก็เป็น้องปฏิกูลเลยแบบนี้ตอนนี้กิเลสเกิดไห้เนี่ยเกิดไม้เกิดไม่เกิดแล้วแคาตรงที่เิเลสได้เกิดแล้วอันนี้ก็เรียกขมได้แล้วนี่ยความประโถดนั่งโกดทาต่าเล่านั้นเดินหน้าปฏิกูลรือการทั้งพวงเป็นและปฏิภาพันธุ์นิดอันนี้ชับแล้วเมื่อต้องเสียบเจริญปฏิท่าพันธุ์นิดนั้นนอ้ครั้งแรกที่ปฏิภ่าพันธุ์เกิดตอนนั้นผิดเป็นอะไร สมาธิเดี๋ยวเป็นอุปาาลก่อนทีแรกจริงเป็นปริกรรมยนติใช่ไนะที่บริกรรมบริกรรมบทควาที่กลังทำเนี่ยเพราะจากบริกรรมยติไปเน่พออารมณ์กายเป็นอุปานหนิยตนักเข้าเนี่ยไออุปาหานิยตนั่นแหละในตรงนี้ได้จริงๆแล้วถ้าคนไม่เคได้ศึกษาอาจะมองบ า, งากกันนนเนี่ น, คนนะคว่าอุปาหานนี่ฉันพูดเกินไว้นะ แต่ฉันพูดเลยไว้ครั้งแรกจริงๆอยู่นบริการหมดเกื่ยวกั่องท่องท่องอีกทีแรกอ่ะท่องท่อท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาท่องผมหัผมผมหัเรื่อนาหนังไปตัอเลยนะท่องไปต้องมาติดตาเฉยเลยไอ้นี่เราเนี่ยจากท่องไปมาสิบริการไม่เด้หรอมาบริการบริการบริการอนี้เนี่ย ไนที่ติดจรไไปท่องใจแล้วมันึไม่ใช่ท่องจะตากิจก็ไม่เรนะิ่มเนือสิทมันเลตามไปด้วยตามๆาๆตามตา ม, ตามไปด้วยนะมาเข้ามเข้ามันติดเลยถ้าหยุดบริกรรมเนี่ยเข้าก็ะจายใจนะม มันใส่ใจใส่ b จมันหยุดบริกรรมมาใใจมันไปใสใจเนีเข้าจับบริกรรม a ารกุ้งห่านนี่เลยเนี่ยเห็นชักข้ามาเลยเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นปันชักขึ้นมามึงเห็นพวงดอกม้รู้ป่าว่าสามสีสองสีอ่ะสามสีสองการหวานสองเป็นชักขึ้นมาเป็นชุดเลยเห็นอิฐเตยเป็นยิ้มิดตาขึ้นมาเลยหลับตาก็เห็นอื่นตาก็เห็นมันใจเนี่ยจริงๆแล้วใจไม่เห็น ม่พูดไม่เคยทำนี่พูดอยงนี้น่าตื่นเต น, นไมไม่เคยทำไหมเราไปบริกรรบริกรรบริการเลยดิอย่เงไางไหมเคยไปจ้างทายาไหมไม่เคยเลยนะนี่ทาไปจ้างทายาที่ปวดตังนี่นตังตัวมันลืมหมดเลยเลอารมณ์ที่มันแรงกว่ามันใหญะมันจะลืมละทีนี้พอคปจางใจในมันตอนท่ไปดูงานนี้ใช่ ไอจิตใหม่ๆนั่นน่ะมันเป็นบริการพระพรวนาใหม่ๆเนี่นะที่พรวานาใหม่ๆเป็นบริการพระพาวานาพอมันบริการใส่ใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอุปจาระพรวานาหรือุปจาระสมาธินี่เองจิตตอนนั้นเป็นมหากรุสุนนะเออุปจาระสมาธิท้าวพระท้าวใช้อุปจาระสมาธิแต่ว่านานไหตั้งนานไม่นานมาก บางครั้งเนี El ่ยชื่วโมงสบายสบายเนี่ยอุปจาระหอนาเนี่ยนั่งมีความสุขมากใครจะนั่งการมานได้ที่ค้างกรราชั่วโมงก็หนึ่งังนั้นเคยนั่งมีความสุขจริงจริงนะฮะมอมาธิี่ยเหลอกได้แต่นึ่งเรยจกมาก็ไม่มีแล้ว ปัญหาดีบางทีเนี่ยคนที่คนที่คิดบุญได้ไมาวเนี่ีคิดนั่งกรรมฐานไปนั่งุจะไปเจริญกรรมฐานให้จิตสงบ เ, เร็วนี่นะคิดุนี่ ย, นะ ท, ยที่บอกไว้คิดี่ย า, ยาว เจอหน้าใครก็เจริญกุศลได้เจออบคุมใครเสวนานอะก็ใหุ้นั่นมากๆ่พอไปตรวจไม่ว่ายหเจริญกุศล่ันมันมีควางเยยะไม่ยีงเงิที่มีความรู้สึกเนี่ยไม่เคยคุบเลยนะเคมีสักวันไม่ใช่หมายถึงเจริญกุศลนะไม่ใไม่เคยทุกข์แกจะโลภะเอาน ที่เป็นกุศได้ทั้งวันเลยนะี่ยเคยไมเคยผนมะจะเคยทำได้ทั้งวันนี่ผิดปกตเลยไหนะี่เคยเลเนี่ยแล้วเป็น น, นานที่สุดเลยไดอกโอ้โเจริญกุศลที่ยาวมากเอานี้นะต่อไปยอมตั้งหัตถยาใจเลยนะว่าเราจะฝึกจเจริญกุศลที่ยาวที่สุดถ้าลืลจะตั้งใหม่ืมกจะตั้งใหม่ม้จะลุกใหม่ล้มจะลุกใหม่ ไอ้นคนอย่างนี้นะเ ว, เวลาเวลาทำเรื่งก็ตั้งหลักใหม่เร่ตั้งหลักใหม่สุดที่ตรงนีง้ลองดูนะแล้วทำได้ไหมคือสมมติถ้าอาทิตย์หน้าได้มาโอกาสมาฟังทำอีกให้ดูพฤติกรรมเปลี่ยนเลยแหละกลายเป็นคนเยี่ยมเย็นสงบสุบขมหน้าตาผ่องใจใจเหมือนบานใจเป็นใจกุศลคิดว่าทำได้ไ คือให้คนเดิมายไปเลยกลายเป็นคนใหม่เลยโอ้ทำได้ดีมากนี่ปักขึ้นมา